เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองปรากฏขึ้นแล้วในะบัดนี้วันนี้วันพฤหัสบดีที่20มิถุนายน2556ขึ้น12ค่ำเดือน7ปีมะเสงอ้าวเราก็จะดำเนินรายการไปตามคลองของ รายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองซึ่งจะมีธรรมะเป็นหลักนอกนั้นก็จะมีทั้งเรื่องของสงครามมีทั้งเรื่องของสังคมมีทั้งเรื่องของการเมืองผสมผสานอยู่ในรายการนี้พูดถึงไปอธิบายไปให้ความรู้ให้อะไรตไรวิจงวิจารณ์กันด้วยไป เช่นเคยอาตมาจะบรรยายไปคนเดียวก่อนครึ่งรายการแล้วก็จะตอบประเด็นสำหรับรายการนี้จะมีการตอบประเด็นจากผู้ชมทางบ้านที่จะร่วมกับรายการเรานี้ได้จะร่วมได้โดยการโทรศัพท์มาน่าจะส่งประเด็นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นประเด็นคาถามเป็นประเด็นการแสดงความคิดเห็นเสนอแนะติต่งด่าทอถึงขนาดมีบางคนก็ด่าทอมาก็ได้ เราก็รับฟังถ้ามันถึงขารอดไม่ได้ทนไม่ได้ก็ด่ากันก็มีก็ไม่ต้องมาดาอยู่หรือว่าจะรายงานผลอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ได้เบอร์โทรศัพท์สองหมายเลขคือ0885859115กับ08858 ห้าเก้าหนึ่งหนึ่งหกสองหมายเลขเดีกคกันะอ่าทวนอีกทีหนึง่งหมายเลขโทรศัพท์ที่จะส่งประเด็นเข้ามาได้มีสองหมายเลขคือศู8ย์แปดแปดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้ากับศูนย์แปดแปดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งหกผู้ที่จะจดเอาตามหน้าจอโทรศ ทัดก็มีขึ้นให้แล้วนะท่าทนนี่ก็มาว่ากันในเรื่องราวของสิ่งที่จะพูดกันวันนี้อาตมาตั้งใจจะพูดถึงประเด็นที่จะเป็นธรรมะคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าวันนี้ตั้งประเด็นมาอาตมาก็จะเอาประเด็นของคุณไมไ่ตั้งประเด็นหรอกว่าเรามาเพาื่อเป็นประเด็นน่ะทีนี้อาตมาก็จับเอาประเด็นนั้นมา ใท้เป็นเรื่องจะอธิบายขยายความให้เป็นประโยชน์น ะ, ะดูของของคนอื่นก่อนนะเมื่อวานนี้วันที่สิบเก้าในรายการเรียนอิสระตามสำนึกที่จัดที่บันราชจัดไปแล้วก็มีเอ s เอมเอขึ้นมาเ m s มเอ 0242บอกว่ากําลังโกรธคนอยู่ก็ได้เข้าใจทุกขอริยสัจเปลี่ยนจิตเลยขอบคุณอย่างมากน้าคนนี้ชัก ด, ดีชัดเข้าท่าน้ากําลังโกรธอ่าเมื่อขณะกําลังโกรธก็แสดงว่าอ่านจิตเป็นนาอ่านจิตเป็นกําลังโกรธอยู่เอได้เข้าใจทุก อรวยสัตว์เห็นว่าเป็นทุกข์เลยาทุกข์โกรธนี่เป็นทุกข์แน่นอนเป็นเหตุถึงทุกข์แน่นอนอ่านออกว่ามันเป็นทุกข์ก็ดีแล้วอ่าก็รีบเปลี่ยนจิตเลยว่างั้นเลยนะหัดเปลี่ยนจิตเลยนี่ก็เป็นเบื้องตน้นเราก็จัดการเปลี่ยนไม่ให้มีอารมณ์นั่นทันทีเป็นวิคำพนักหานซึ่งเป็นธรรมชาติมนุษย์ทําอยู่แล้วลลเรากดเราข่มเรากลับกําหนดมันอย่าให้มันออกมาอย่าให้มันมีริดมีแรง ยิ่งรู้เข้าใจชัดจริงขึ้นก็จะให้มันมีในใจเราจะให้มันมีอํานาจบรรดานี้มันออกมาทางร่างกายทางวาจาทางอะไรตรออกมาข้างนอกจัดการให้มันหมดพลังอยู่ข้างในไว้ซะก่อนแม้ว่าจะยังกําจัดมันไม่ได้ด้วยวิชาการปัญญาเรียกว่าวิปัสนาญาณหรือวิชาวิชาของพระพุทธเจา้าวิปัสนาญาณ น, นี่คือ วิชาของพระรูปเจ้าจะได้พูดกันวันเนี้สําคัญประเด็นนี้แหละคำว่าวิปัสสนาญาณนี่แหละจะได้พูดกันให้สําคัญเลยวันเนี้ยฟังไว้นะคําว่าวิปัสนาวิปัสนาเนี่ยแล้วมันจะเป็นญาณเป็นวิชาวิปัสนานเพราะะนัแต่เผื่อว่ายังไม่ถึงขั้นมีญาณที่เป็นวิปัสสนาญาณแล้วก็ถึงขั้นมโนมยิธิญาณอะไรไปยิ่งถิ่นเป็นวิชาคนหนึ่งก็สองก็ ส, งสามไป กิเลสมันจะไม่ลดละจางคลายหรือถูกสํารอกหรือกําจัดไปได้อย่างจริงไม่ถูกประหารตะพาหรือไม่ถูกประหาระไม่ถูกสํารอกไปอย่างแท้จริงแต่ถ้าเผือว่าปฏิบัติตามหลักวิธีของพระเจ้าแล้วจะสํารอกกิเลสนั้นหรือกําจัดกิเลสนั้นได้อย่างแท้จริงและสุดท้ายก็หมดเกลี้ยงไม่เกิดอีกเลยไม่มีอีกเลยสะอาดบริสุทธิ์ไปเลย ได้แต่คั้นวิคัมพนธปหารจะเฉิมปหารด้วยการกดข่มทำลืมลืมทำไม่ค่อยชัดเจนไม่ลงเข้าไปถึงมียานไม่มีวิปัสนาญาณ น, นั่นเองก็จะไม่สามารถที่จะเห็นได้นะนี่ก็เริ่มต้นนะคนนี้บอกกำลังโกรธคนอยู่ได้เข้าใจทุกิ์ศรีสัตเปลี่ยนจิตเลยขอบคุณอย่างมากคุณศูนย์สองสี่สองศึกษาดีๆเพิ่มเติมขึ้นแล้วก็ทาให้ได้ต่อมาคุณเจ็ดศูนย์แปดหนึ่ง วันอาทิตย์นี้จะไปเจอกลุ่มเพื่อนหน้า ก, กากขาวที่หน้าเมืองพัทยา4โมงเย็นครับงานาจะไปน่นก็นรายงานมาได้นบอกอันนี้มารับทราบๆบางทีก็อ่านให้บางทีไม่ได้อ่านให้นะก็ <c oughs> รายงานผลมาที่จริงเขาขึ้นจอบางทีเขาขึ้นจอให้ก็มีการส่งข่าวคราวกันอะไรกันคุณสี่ศูนย์สามเก้าบอกว่าเราอ่านดูรู้เอาอ่านดูฟังรู้ คำริทยสัตว์สีทุกสมุทัยนิโรธมักแต่เรารู้จักแต่ตัวอักษรแต่ตัวทุกจริงๆของมันบางทีก็จับบ่อได้ไล่บ่อทันเอวังเนาอก็เข้าใจแล้วก็ฝึกไปเถอะน่าจับได้นี่คุณศูนย์สองสี่สองเขายังจับรู้อาการน่ารู้อารมณ์อารมณ์ว่ามันเป็นทุกน่าอารมณ์โกรธเป็นทุกนีเงินต้น ก็เริ่มต้นเรียนรู้แล้วจะมีการรู้ว่าอ้อทุกข์มันเป็นอย่างนี้นี่เป็นอริยสัจข้อแรกจะรู้ว่าทุกพึงกําหนดรู้ปริญญเยยะเมื่อได้กําหนดรู้แล้วก็กําหนดรู้ทุกข์มันอยู่ที่จิตอ่านจิตให้เป็นอ่านจิตให้ออกคนที่อ่านจิตเป็นอ่านจิตออกนี่แหละแล้วก็เข้าใจเลยว่าอาการทุกข์แล้วก็พยายามวินิจฉัย อานติดตามจนกระทั่งค้นหาเหตุที่มันพาเกิดทุกข์ได้ก็เป็นทุกเป็นอริยสัจข้อที่สองแล้วก็กำจัดมันด้วยวิธีข้อที่สี่ข้อที่สี่นี่อริยสัจข้อที่สเป็นวิธีปฏิบัติมหารห้าเป็นต้นแล้วก็กำจัดมันให้ได้จนเป็นนิโรธซึ่งเป็นข้อที่สามของอริยสัจสี่นิโรธคือดับกิเลสดับกิเลสหรือว่าทำให้กิเลสมัน หายศูนย์ไปได้เลยอย่างนี้เป็นต้นอ่าผู้ที่เข้าถึงอาการของจิตอาการนิคนิมิตรอุเทศของจิตแล้วก็กําจัดมันได้จริงอย่างนี้ลเลยไปพูดทำวิปัสนาวิธีปฏิบัติวิปัสนาได้อย่างรู้รู้เห็นเห็นวิปัสนาแปลว่ารู้เห็นอย่างยิ่งเป็นการรู้การเห็นจริงยิ่งยิ่งเด็กยิ่งออมมี่เอามาวางโอโหเด็กใหม่ น่าให้ให้ผู้ใหญ่เขาค่อยๆพาจูงมาเอาวางน ะ, <c oughs> ะคุณสี่ศูนย์เก้าสามบอกว่าก็ยังไม่ชัดก็ศึกษาไปเถอะน่าก็จะได้รู้ทีนี้คุณหนึ่งศูนย์สองห้าบอกว่าฟังท่านสมณนะอธิบายธรรมะวันนี้โดนกิเลสมากมา ก, มากเลยค่ะ น่าคุณมาขามป้อมน่บอกชื่อมาด้วยฟังจรรสมรณะก็คือรายการเมื่อวานนี่รายการทบทวนน่ะเรียนอิสระตามสมมกที่มันราด จ, จัดขึ้นก็บอกว่าโอ้อธิบายธตรมวันนี้โดนกิเลสมากๆดีนะะักเรียนรู้ความจริงอย่างนั้นไปคือชาวโสรอนี่เราเรียนรู้แล้วคนที่ตั้งใจฟังด้วยดีฟังดีๆจะเห็นจะเข้าใจน่จะเข้าไปถึงปรมัตา์ได้น่ ที่นี่มาถึงคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าบังบอกว่า if anyone can get the wrong gamma out of a soul we will give him the price twenty million บาทโอเคง่าว่างั้นเลยน ะ, <laughs> ะคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้า พราะว่าถ้าเผื่อว่าใครก็ตามเนี่ยสามารถที่จะจับผิดเอาความผิดของธรรมะของอโศกนี่ธรรมะผิดผิดของอโศกนี่ออกมาได้อ่าใครสามารถเอาออกมาหยิบออกมาได้โอ้โหก็มันจะตามหาตัวตัวโจรบางเงิ น, น่ะเป็นโจรแล้วก็จะจับของกลางเลยนะธรรมะผิดผิดนี่คือของกลางนะเดรรองธรรมะนะ get out เอาออกไปให้ได้ uh, get the wrong drama out of a soap นี่ขอกโจนเนี่ยเอาออกไปให้ได้ we will give him the price twenty m i l l i o n แต่เก็นมิลลียนนี่ตกไปนิดนะคุณ l w n i u n s เนี่อาตมากระงงเหมือนกันเอ้มิลลิอุสนี่มันมิลลิน มิเลียนมันจะเป็นไอ n ูเอ็ยังไงทรงกดผิดหน้าเกี่ยวน่าจะกดพลาดแต่มันควรจะไอโอเนี่ยจะให้ยี่สิบล้านสีเดียวนะถ้าใครทำได้โอ้โหเรียนแบบโปกเลยนะนเนี่ยอ้าวนี่ก็คุณแปด5จูนย์ห้าต่อไปอีกคุณแปดเจ็ูนห้าเด่นภาษาฝรั่งเลยธรรมะอออโศก is วิปัสสกิดออวิปัสส okay? <laughs> นึกบ u t i t i s n o t วิปัสนาโอเคมีโอเครองท้ายทุกทีเลยนะคนนี้ถนัดโอเคมาบอกว่าทำมัองอลกระโศกนี่มันวิปัสสกิดวิปัสหรือว่าวิปัสสนึกเอาแต่มันไม่ใช่วิปัสนาหรอกนะเขาวางเงันกับพิจารณาตัดสินเลยว่างเงันนะ เ ป, วป็วิปัสสนึกวิปัสสคิดไม่ใช่วิปัสนาอาตมาถึงได้บอกว่าเอาเนี้ยประเด็นของคุณนี่พูดถึงวิปัสนาเมื่อกี้อาตมาพูดถึงคำว่าวิปัสนามาบ้างแล้วนะตนๆเดี๋ยวก็จะได้ขยายความกันอย่างดีวันนี้เรียนรู้เรื่องนี้กันกชัดๆคุณเจ็ดสามศูนย์แปดก็เลยบอกว่าแปดเจ็ดศูนย์ห้าวันนี้แปลงกายเป็นฝารลังหรือก็ <c oughs> ยาวกัน วันนี้แปลงกายเป็น้าหลังหรือนะต้องคุณแปดจศูนาอีกบอกว่าฟังธรรมะโพธิรักให้รู้ถ้าก็จะ ฟ, ฟังฟังธรรมะของโพธิรักให้รู้นี่ต้องปีนบันไดฟังเท่านั้นองต้องปีนบันไดฟังเท่านั้นเท่ากับการปีนหนึ่งเขาปีนอย่างนี้เลยนะปีนบันไดลงไปฟังกันที่เหวลึก ช่างว่าว่าแดดว่าดันว่าเสียบว่าสีว่ากดว่าคมนี่ว่าจริงๆเลยอาตมาก็ฟังว่าเออเนาะว่าบางทีก็ว่าแรงว่าหยาบว่าอะไรก็ดก็รู้รับรู้นะอาตมาก็รับรู้เข้าใจเออาตมาจริงๆก็ไม่ได้เกิดจิตโกรธเคืองหรือว่าบั่นไหวหรือว่ารู้สึกไม่ชอบใจอย่างโน้นอย่างนี้อะไรหรอกเข้าใจนี่ย ยิ่งคบพากันมานานก็ยิ่งเข้าใจแต่แรกก็เข้าใจอาตมาฟังความฟังคําก็เข้าใจไม่ได้ไปไม่ได้เกิดอิจฉาหรือเกิดจิตอะไรอะไพวกนี้หรอกก็บอกเหมือนอดอุตตริมุธรรมเป็นจริงอาตมาไม่ได้เป็นอาการจิตอะไรที่พวกนั้นอ่าข้อสุดท้ายของคุณแปดจะสูหน้าบอกว่าสิกขมาตคนนี้นิสัยเสียใสติกขมาตเลยสิกขมาตคนนี้นิสัยเสียเพราะจะชอบพูดสอดคนอื่นที่กําลังพูดอยู่ตลอดรายการ ว่า ง, งั้นเลยนะสิกมาศคนนี้นิสัยเสียเพราะจะชอบพูดสอดคนอื่นที่กำลังพูดอยู่ตลอดรายการอ่าอา้าวก็ฟังไว้เขาว่าสอดที่จริงผู้ที่ดำเนินรายการเขาก็ต้องพูดถึงนั้นแหละน้าทีนี้จะหาเรื่องว่าเขาว่าไปได้เนืก็ว่าไ ป, ไ, นะา ไ, ปไม่มีปัญหาอะไรดอกอัตมาสังเกตตัวหนังสือของคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าสะกดสิกมาศเนี่ยสะกดอย่างก่อน อย่างแต่เดิมที่เรียกว่าเสกฏสิกมากสะกฏยังไงนึกออกไหมสอเสือสลีกอไก่ขอขออ้าขอขวดมอมาสะอาต่อเต่าไม่มีสระอุจึงตั้งข้อสังเกตว่าคนนี้เก่านะเก่าจะเก่าระดับไหนจะเก่าอยู่ในนี้ไปหรือว่าเก่าอยู่ข้างนอกไม่รู้แต่ติดตามหรือว่ารู้เจากเรามาดี น่ากล่าวอ้าวเอาละนั่นก็เป็นประเด็นที่อาตมาจับประเด็นมาก็บอกว่าคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าบอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นพวกวิปัสสกิดวิปัสสนึกมันไม่ใช่วิปัสนาก็ขอขยายความคําว่าวิปัสนาไม่ได้เทียงนะที่จะพูดต่อไปนี้ไม่ได้เทียงไม่ได้แย่ไม่ได้อาชนะฆาคาน แต่คุณคนนั้นฟังอย่างที่เราพูดอย่างที่เราอธิบายอย่างที่เรามีการประพฤติปฏิบัติแล้วมีตัวตนบุคคลยืนยันน้ามากันปฏิบัติมาจนกระทั่งนี้ไม่ว่าจะเป็นแต่เพียงนักบวชมีทั้งฆราวา์ชายฆราวาสหญิงมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มีมากันจริงๆเลยปฏิบัติแล้วก็นอกจากจะปฏิบัติแล้วก็ยังลดยังละยังทิ้งมามีพัฒิาภาพที่เห็นได้ แต่คุณแปดเจตสูนาเขบอกว่าการปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยจะคงเป็นแค่วิปัสสคิตวิปัสสนึกยังไม่ใช่วิปัสนานั่นเป็นความเห็นของคุณแปดเจตสูนาเราก็ไม่ว่าอะไรแต่เราก็ขอขยายความคําว่าวิปัสนาของเราเนี่ยเขาขยายความอย่างนี้นะคือวิปัสนาเนี่ยเป็นวิชานะวิชาของศาสนาพุทธโดยโดยตรงเลยวิชาอื่นเขาไม่มีรคําว่าวิปัสนาวิชาในศาสนาอื่นไม่มี วิศาสนาพุธวิปัสนาเป็นภาษาภาษาคำนี้เป็นภาษาของพุทธโดยตรงเป็นวิชาข้อที่หนึ่งของวิชาแปดเพราะงั้นเมื่อสามารถมีญาณมีความรู้มีปัญญาที่เรียกว่าวิปัสนาก็เรียกว่าวิปัสนาปัญญาหรือวิปัสนาญาณเป็นความรู้ขั้นวิปัสนาข้อที่หนึ่งของวิวิชาเป็นความรู้วิชาแปดมีแปดตําแ ปฏิบัติธรรมพระเจ้าแล้วเคจะได้วิชาแปดนี้ถ้าไม่ได้วิชาแปดนี้ไม่มีสิทธิ์เป็นอรหันต์ทีนี้ทางพุทธส่วนใหญ่เข้าใจกันว่าวิชาแปดนี้ไม่ใช่วิชาวิชาพุทธที่จําเป็นบางทีก็สอนว่าเป็นวิชาที่พระพุทธเจ้าตีทิ้งพระพุทธเจ้าไม่ให้ยุ่งบางทีก็บอกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ นะเรียนรู้ก็แล้วกันเดี๋ยวได้ดีโรกกวันนี้โรกน่ง น, นั่งสมาธิไปเถอะแต่ความจริงไม่ใช่ความจริงต้องมีเลยเป็นอธิปัญญาสิบขานะอยู่ในจารณะ 15. สิบห้านศะีลแล้วก็สมบูรณ์ิป็นียโฟเจนิมัตติยุตาจารยานโยคะแล้วก็จะเกิดคุณธรรมอีกเจ็ดเป็นสัตธรรมเจ็ดนะสัตธรรมเจ็ดก็จะมี คุณธรรมระดับศีลแล้วก็มีศรัทธามีศรัทธามีฮิริโอตปะและก็พระหูสูตรหรือพาหุสัจจะแล้วก็มีวิริยะสติปัญญาวิริยะสติปัญญาเจ็ดข้อรวมแล้วก็เป็นสรัทาสัตธรรมเจ็ ตั้งแต่ศรัทธาไปจนกรั่งถึงปัญญ า, าจากนั้นไปข้อสิบเอ็ดถึงข้อสิบห้าเอาไม่ใช่ข้อสิบสองข้อสิบเอ็ดปัญญาแล้วข้อสิบสองถึงข้อสิบห้าอีกสี่ข้อก็คือฌานจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดเป็นท่อนๆทนๆท่อนๆเรียงกันไปอย่างนั้นหรอกมันจะเกิดมีการ สังเคราะห์สังขารประสานกันเกิดร่วมกันไปตลอดเวลาหลักเกณฑ์แรกมีศีลให้ตัวเองแล้วก็มาปฏิบัติปฏิบัติก็คือสามข้อนั่นแหละสองสามสี่นั่นแหละการปฏิบัติอันไม่ผิดอปนันกท่านเรียกว่าอปนาัอปน ก, ปนกัปฏิิปทาเป็นข้อปฏิบัติเป็นการปฏิบัติที่ไม่ผิดใะอินทรีย์สวัสดิ์โพชฌน้มันตัญตาชาคียานโยคะ น, ะ น, ะนะนะั่นแะเมื่อกี้นี้นะนะั่นแหละ สามข้อนั้นถ้าปฏิบัติยังอยู่ในเกณฑ์สามข้อนี้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ออกไปนอกรูนอกทางอันนี้ไม่มีผิดศาสนาพุทธเพราะถ้่ผู้ที่ไม่เข้าใจดีแต่แค่คุ้มครองทวารอินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าอินทรีย์หกตาหูจมูกลิ้นกายใจพอไปปฏิบัติแล้วปิดอินทรีย์เลยปิดทวารไปอยู่แต่ในภพในอินทรีย์ ก็ไปอยู่แต่ในทวารในทวารใจอะอย่างเดียวห้าทวาร น, นอกปิดหมดเลยไม่ได้สํารวมสังสวนอินทรีย์นี้เลยแน่นแหละเป็นการปฏิบัติที่ผิดอ ป, ปนันกปฏิบัตตั้งแต่เริ่อข้อหนึ่งเลยเพราะฉะ น, นั้นเมื่อปิดอันนี้แล้วโพชเนมัตัญญูตาไม่ได้ปฏิบัตินี่เพราะโพชเนมันตัญญูตาจะต้องสงวรจะต้องรู้จักจัดการจะเรื่องของอาหารการกินการใช้เครื่องอุปโภคบริโภค เริ่มตั้งแต่เครื่องบริโภคก่อนบริโภคเริ่มต้นและปลายก็ดูมไม่หมดเลยมันจะยิ่งใหญ่บริโภคอุปโภคก็มีเป็นส่วนประกอบเรียนรู้สิ่ที่เราเกี่ยวข้องอุปโภคบริโภคนี่แหละกิเลสจะเกิดตรงนี้เมื่อสัมผัสอุปโภคบริโภคต่างๆกิเลสก็เกิดแล้วเราก็เรียนรู้กิเลส น, นั้นแล้วก็ลดออกมามีพัจจัเป็นปัจจัยจริงๆนี่คือการปฏิบัติที่ไม่ผิดแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่ ตื่นเรียกว่าชาคริยาชาคริยาจะเป็นพูดตื่นตื่นคือตั้งแต่ตื่นจากมันหลับไหลตั้งแต่หลับนอนหลับแล้วก็หลับไปอย่างนั้นก็หลับแต่นี่ไม่ใช่ตื่นเท่านั้นไม่ใช่ตื่นจากหลับที่เป็นหลับเข้าไปนอนหลับแล้วก็ตื่นออกมาเท่านั้นมันมีนัยยะที่สูงกว่านั้นการตื่นตื่นจากโลกีตื่นจากกัณหลงไหลไปอยู่ในภพที่ไม่รู้ตัว เป็นในภพของโลกีแต่ที่นี่มาตื่นขึ้นมาก็รู้เรื่องรู้ราวมีปัญญาที่จะรู้อะไระได้รขึ้นมาเรียกว่าพุดตื่นผู้รู้พูดตื่นผู้เบิกบานจากชาคริยาก็ไปสู่พุทธะแปลว่าผู้รู้พูทตื่นผู้เบิกบา น, นก็จะเป็นเช่นนั้นเพราะการปฏิบัติ ต, ตามเจรณะสิบห้าวิชาแปดนี่แหละวิชาอีกแปดก็ตั้งแต่วิปัสสนาญาณต่อจากเจรณะสิบห้า ครบชานถึงสี่แล้วเป็นอาการทางการปฏิบัติและเกิดจิตและในจิตนี้ก็มีปัญญาไปพร้อมกันวิชาแปดไม่ได้หมายความว่าได้อันนี้ไปทั้งหมดแล้วจะค่อยมาสร้างวิชาอีกแปดไม่ใช่วิชานี่ก็ไปพร้อมกันเป็นสมังคีปฏิบัติไตรสิกขาอีนสมาธิปัญญามันจะสมังคีกัน ช่วยกันอมือล้างมือกับมือล้างเท้ากับเท้าที่ท่านบอกว่าศีลกับปัญญาช่วยกันทําให้จิตเกิดอธิจิตศีลกับปัญญาอธิศีลอัติจิตอธิปัญญาศีลกับปัญญาช่วยเป็นแม่เป็นพ่อที่จะช่วยจิตให้เกิดเรว่าลูกโอปปาติกะโยนิลูกก็จะเกิดจิตก็จะเกิดเกิดเกิดขึ้นน การเกิดก็คือสภาวะของสัทธธรรมเจ็ดและก็ฌานสี่สัทธธรรมเจ็ดฌานสี่นี่แหละการเกิดของจิตเจโตและมีทีอานปัญญามีวิชาประกอบไปตลอดสายเลยในขณะที่ปฏิบัติไปอปั น, ปะนกปะปฏิบัติทาปฏิบัติไปการเป็นศรัทธาก็กําลังจะเกิดฌาน สิ่งนี้ก็กำลังจะเกิดฌานก็เกิดไปเรื่อยๆฮิริโอตะปาคละลดไปเรื่อยๆก็คือการทําให้ฌานเกิดเจริญไปเรื่อยๆนั่นแหละก็จะเกิดฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ภาษาว่าฌานแต่สภาวะธรรมก็คือมันเป็นความเป็นฌานมันเป็นความเป็นละนาคสำรอกสำรอกกิเลสไปเรื่อยนั่นคือภาวะฌานภาวะฌานนะก็จะลดละกิเลสไปเรื่อยวิชาแต่ก็คือญาณปัญญาก็จะ สูงขึ้นไปเรื่อยวิชาข้อที่หนึ่งวิปัสนาญาณญาณที่รู้เห็นของจริงวิปัสสัปัสสักปัสนาปัสเสปัสซีปัสติเนี่ยเห็นจะต้องสัมผัสเห็นสภาวะนามมาทำนั้นๆแม้แต่รูปเป็นนามเห็นหมดสัมผัสเห็นไม่ได้เอาแตนึกแต่คิดภาษาเอาแต่ภาษาเอาแต่ตรรกะเอาแต่คิดเอาแต่นึกอย่ากที่คุณนีิว่าวิปัสสนึกวิปัสสคิดเนี่ยไม่ใช่นะ อัตมาไม่ไปตู่ไป่ไปว่าท่านแปดเจ็ดศูนย์ห้าว่าเป็นวิปัสสนิวิปัสสกิตเพราะอัตมาก็พูดไปบ่อยๆ ห, หลายทีแล้วว่าของท่านนั้นได้จะอัตวาตุปาทานจนท่านจะเชื่อไม่เชื่อท่านจะเห็นว่ท่านเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่เป็นไรหรอกอัตมา ก, ก็บอกความจรงิงตามที่อัตมารู้สึกว่ามันเป็นเช่นนั้นนะจนท่านจะเป็นหรือไม่เป็นอัตมา ก, ก็ตามภูมิอัตมาว่าไปผิดถูกอัตมา ก, ก็ต้องรับผิดชอบก็บอกไปแล้วว่าเป็นเงินโดยความจริงใจนะไม่ได้ไป กดขีดขมเหงพูดว like, ่าอคุณม like ีส right. yes, ีดําแล้วก็ว่าดําคุณมีสีขาวเราบอกขาวอะไรอย่างนี้แค่นั้นเองเออคุณหน้าแหลมก็บอกแหลมคุณหน้าคมก็บอกคมคุณหน้าเหลี่ยมก็บอกเหลี่ยมมะไรไปเฉยๆไม่ได้พูดไม่ได้ไม่ได้ไปเอกดขีดขมเหงอะไรไม่ได้ไปด่าทออะไรก็บอกลักษณะที่เป็นว่าอย่างงี้มันเป็นอย่างงี้ตามหลักธรรมหลักวิชาว่าเอคุณเข้าใจนี้มันเป็นอัตวัตุปาทาน ก็บอกไปนะแต่จะเข้าใจหรือว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่มีปัญหาอะไรเราอาตมาก็พูดความจริงจำที่พอจะพูดได้นะในศาสนาพุทธนั้นผู้ปฏิบัติต้องเกิดวิชาแปดในให้ได้วิปัสนาข้อที่หนึ่งมโนมยิทยานข้อที่สองมโนมยิทธิหมายความว่าพอรู้จากกิเลสรู้จากจิตแล้วก็จัดการกำจัดกิเลสสำเร็จมโนมยะสาเร็จในใจ มียานเห็นว่าเราได้ปฏิบัติสำเร็จมันเก่งนะเป็นท่านทั้งเรียกว่าอิทธิมาลีวอิทธิทัศภาสาสักจคือว ร, ริเกันริศอานาจเป็นความเก่งสามารถเก่งมี ร, ริศในการทมให้กิเลสลดได้สำเร็จมนโนมยจิตใจเจ็ดสาเร็จทางใจมนโนมยิทธิ ผู้ที่เข้าใจไม่ไม่สัมมาทิฏฐิก็เป็นแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจแล้วก็ไปมีฤทธิ์โ h ห, หเหินเดนน้ําดําดินมีฤทธิ์พลึกพลืออะไรต่างๆนานามีฤทธิ์ทางใจสามารถอย่างรู้ใจคนเป็นอาธิยศนาปาฏิหารเป็นนิทิปาฏิหารไปใหญ่เลยมโนมยิทธิคือฤทธิ์ทางใจก็เข้าใจไปอย่า ง, งานั้นไม่เป็นอนุสาสนีปาฏิหารท่านอนุสาสนีปาฏิหารตามคําสอนลูกจ้าแล้วก็คือไ ป, ไปเพื่อความละหน่ายคลาย เป็นไปเพื่ความลดกิเลสแล้วก็รู้จักตรงกิเลสลดได้เมื่อมโนมยิทธิได้เก่งขึ้นแก่งขึ้นก็มีฤทธิ์เพิ่มขึ้นเรว่าอยวิีวิถะอิทะแปลว่าหลากหลายนะหลากหลายมากมายขึ้นมีสามารถมีฤทธิ์ฤทธซึ้งซับซ้อนหลายชั้นเต้นเต่นก็อธิบายไว้ต่างๆนานาทมาก็ขอผ่านวันนี้นะไม่ขยายความในรายละเอียดของอิทธิวิทยาต่างๆนานาสารพัด ซึ่งนานาๆได้พูดหนึ่งวันนี้ก็ขอผ่านไปก่อนยังไม่พูดนะมันก็ไม่ง่ายนักแต่ว่าอาตมาก็เคยพูดมาบอดพูดมาตั้งนานตั้งแต่เริ่มสอนใหม่ๆปัญญาธรรมะใหม่ๆก็เขียนปาฏิหารเรื่องนี้ก็เขียนเป็นเล่มถึงไว้ก่อนนู้นเขียนในทางเอกก็มีทางเอกนี่ก็เขียนพิมพ์ออกมาทั้งเยอะแยะหลายทีแล้วสุดยอดปาฏิหารก็คืออันนี้แหละปาฏิหารของพุทธเจ้า จากอิทธิวิทยานก็มีทิพยานทิปโสทยานข้อที่สี่ซึ่งเป็นยานที่รู้ลึกซึ่งละเอียดทิพขั้นทิพขั้นยานพิเศษที่จะรู้ซ้อนรู้ลึกรูลก้ละเอียดรู้ได้เก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็กําจัดไปเก่งขึ้นก็ข้อหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยกำจัดเป็นแล้วก็เก่งขึ้นขน้อที่ห้าก็ตรวจสอบได้เจตัวปริยานตรวจสอบจิตของเราตรวจสอบผลของการสํารอกจิต ส่าเรสมรอกกิเลสถูกต้องไหมถึงขั้นไหนขั้นไหนแล้วมีสิบหกขั้นสิบหกหลักของเจโตัปริยาณสิบหกแล้วก็อีกสามข้อหลังปุเพนิวาสานุสติยานจตูปปาติยานอสวัคษยยานนั่นเป็นยานดึงวเตวิโชเป็นยานที่เราจะต้องตรวจสอบผลที่เราทำมานี่แหละตามปิ ช, ชาห้าข้อข้างต้นนี่แหละ ตรวจสอบว่าเราทํามาแล้วละระลึกที่เราทํามาแล้วก็คือบุเพนิวาสานุสติยานที่เราลรึกถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วของเก่าย้อนระลึกเอามาตรวจสอบว่าเราทำเราได้ทำเราได้อามันก็มีเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยมีเรื่องมีราวที่เราได้สัมผัสเกี่ยวข้องอะไรอะไรมาแล้วเรารู้ตัวไหมเราได้จัดการกรับกิเลสไหมจัดการกริเลสแพ้หรือชนะมัน ได้แล้วหรือยังในขั้นไหนอะไรใดก็ตรวจสอบเรียกว่าเห็นความเกิดความดับเกิดอะไรก็เกิดกิเลสดับกิเลสนี่เป็นตัวหลักเลยจะเรียกว่าดับจิตก็ได้จิตดับแต่ไม่ใช่ดับทื่อๆจิตดับดับอ ก, กุศลจิตอ ก, กุศลจิตหรือกิเลสซึ่งก็แบ่งทำมาเป็นตามฐานะเมืม่อย่มาจะดับ ตะพุ้นเลยให้กิเลส ท, ทุกตัวก็ดับไปไม่รู้สเป ส, สปาดลับจับทุกตัวมันไม่ไว้รอมันไม่มีมั่วเลยลบมันมีขนาดไม่มีขั้นตอนเลยลบมั่วไปหมดเลยตายตายเลยไม่มีแรงหรอก็แบ่งทําไปเบื้องต้นทําการเปลายตามหลักเกณฑ์ของศีลข้อกําหนดนั่นะเราก็กําจัดไปตรวจสอบไปจนเราจะรู้ขั้นตอน ของเจตโตบริยานก็นบอกถึงขั้นสุดท้ายก็อาสวะอาสวะสิน้นเป็นอนุตระเป็นอนุตรจิตอนุตรจิตที่ตรวจสอบทั้งความเป็นสมาธิตรวจสอบทั้งความเป็นวิมุตตเจตโตวิมุตตกับปัญญาวิมุตตสองอย่างตรวจสอบครบก็เป็นอนุตรจิตสมบูรณ์จิตเจริญขึ้นจริขึ้นที่มันสมบูรณ์เป็นอนุตรจิตก็คือรู้จักอาสวะแระดับอาสวะจน ตั้งมั่นแล้วเป็นสมาฮิตังสมาฮิตโตสมาฮิตจิตหลุดพ้นอย่างสุดท้ายจริงๆเลยวิมุตต์<อ>หลังสุดของเจโตบริยานสิบหเลยจึงจะเห็นแจ้งของตนเองสิ่งที่จะตรวจได้จริงๆอย่างนั้นแหละวิชาของพระพุทธเจ้านั้นความหมายของคำว่าวิปัสสนาเนี่ย ไม่ใช่เป็นแค่รู้แค่คิดแค่นึกดังที่คุณแปดเสูนาว่าหรือหมายถึงไม่ใช่แต่ผู้ปฏิบัติมีปัสจะปัจสนานี่แหละปัจะตัวนี้ละมีปัจจะตัวนี้พยัญชนะตัวนี้กำกับอยู่แล้วมีปัจสะปัจซีหรือปัจสโตปัจสนานี่คือเกิดการรู้จากการผัดจะเห็นของจริงตามความเป็นจริง พจน์ของจริงตามความเป็นจรไม่ว่าขั้นนามมาทำรูปปรธรรมก็ต้องรู้นามมาทำก็ต้องรู้รูรูปรู้นามนั่นเองที่พูดกันเห็นของจริงตามความเป็นจริงโดยเฉพาะรูปนามทั้งหมดหรือรู้ทุกสมุทัยนิโรธรู้วิธีปฏิบัติจนกระทั่งเกิดนิโรธได้นั่นคือผู้ที่รู้อย่างว่ารู้รูปรู้นาม แล้วก็รู้จนกระทั่งไปถึงทุกสมุทัยนิโรธต่างๆเรา ต, าตา้ปฏิบัติจนกระทั่งรู้โอ้เราถึงนิโรธได้ทําให้เกิดนิโรธได้ผู้ที่รู้อย่างนี้เรียกว่าวิปัชนาญานเป็นคําต้นและคํากลางและคําสุดท้ายวิปัชนายานเนี่ยเป็นยานความรู้ของระบบของพระพุทธเจ้าเป็นคําใหญ่วิปัชนายานนะ พระพุทธเจ้ายังอธิบายไปถึงวิปัสนาญาณเก้าไปถึงวิปัสนาญาณเก้าขั้ น, นคือความเกิดความดับแห่งนา ม, มารูปข้อทีน่นความเกิดความดับนั้นก็คือเห็นเห็นอาการของจิตเห็นตัวจิตของเราเลยนะว่าจิตมันเกิดอุทธพยานุปาานัสนาญาณ วิปัสนายานเก้าเนี่ยเริ่ม้วยข้อหนึ่งคืออุทัพยานุปาานัชนาญายานที่เห็นความเกิดดับแห่ง น, นามรูปหรือความเกิดของกิเลสและก็ทําให้กิเลสมันเสื่อมจางคลายลงไปจนมันดับมันหายไปแต่มันยังไม่ทันหายหรอกอุทัพยานุปัชนาญายานเบื้องต้น ยานที่สองต่อมาเห็นความดับเด่นขึ้นเห็นว่ากิเลสเนี่เออมันเกิดแล้วมันก็ดับมันเกิดแล้วมันก็ดับมันดับโดยตัวมันเองธรรมชาติแต่มันไม่ได้ดับเพราะสามารถไม่ได้ดับเพราะความสามารถของเราทําให้มันดับโดยจัดการดับเหตุมันเราจะเห็นแตนอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นก่อนที่ความเห็นความไม่เที่ยงจะเห็นอย่างนั้นก่อนไม่เที่ยงในความเป็นธรรมชาติ ต่อจากเห็นความไม่เที่ยงจากความเป็นธรรมชาติแล้วจึงจะเป็นเห็นความไม่เที่ยงเพราะความสามารถเพราะภาคปฏิบัติอันเป็นสัมมาปฏิบัติของเราเมื่อสัมมาปฏิบัติของเรามันจะนความไม่เที่ยงที่เป็นความจางคลายเพราะนั้นความไม่เที่ยงอันนีจานุปัติสีเนี่ยเราจะตามเห็นความไม่เที่ยงในข้อตน้น คนที่เห็นข้อต้นนันิจานุปัสสีเห็นความไม่เที่ยงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ถือว่าผู้นี้เริ่มดีละเห็นปรมัตต์นะไม่จะไปเห็นวัตถุอะไรต่างๆนานาเห็นมหาภูตารูปไม่เที่ยงไม่ใช่เห็นรู้จักนามธรรมของเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่คงที่มันไม่มันมันไม่อยู่อย่างเดิมมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดับไปเห็นจริงๆเห็นอานว่ามันไม่ได้อยู่กับเราถาวรอักิเลตัวนี้เป็นต้นเอาตัวกิเลสเลยยิ่งชัด กิียตัวนี้มันเกิดมาแล้วมันก็เอ้ยมันก็ไม่ได้อยู่ไปถาวรนี่มันก็หายไปยานข้อที่สองทังคานุปัสสนาญาณญาณที่จะยิ่งเห็นมันความแล้วมันก็หายไปมากกว่ามันอยู่กับเรามันจะอยู่กับเราโดยที่มันมาเกิดขึ้นมานะที่จริงมันจะอยู่นะมันอยู่ในอนุสัยมันยังไม่ได้ล้างออกไปนะ จริงๆแล้วกิเลสที่มันเป็นเป็นเนราอยู่ในตัวเราเนี่มันยึดอยู่ในตัวเราเนี่ยมันเป็นอุปทานมันยึดอยู่ในอนุใส่นะแต่มันเกิดดับเกิดดับในภาวะกิริยาของมันมันเกิดเป็นคราวๆแล้วมันก็พักยกเรียกว่าดับไปจะเห็นมันจริงขึ้นเลยว่าพังคานุปัสสนาญาณเห็นความดับเด่นชัดขึ้นญาณที่สาม พยานุปัสพญาตุปฐ า, านญาณญาณที่เห็นว่าโอ้โหมันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็ปรุงแต่งกันอยู่อย่างนี้เนี่ยทักจะมีญาณปัญญาเกิดขึ้นน้ว่ามันเป็นของไม่ได้น่าชึดมั่นอยู่เลยนะมันน่ากลัวนะมันมีอยู่งี้แล้วก็เป็นหลงยึดมั่นถือมั่นมันอยู่ตลอดเวลาเนี่ย คือจะมีอาการอย่างหนึง่งชักชังไม่ไว้ใจแล้วแต่ก่อนนี้หลงโอ้โหติดยึดผูกมัดมันเป็นเป็นเราเป็นของเราเลยไม่พลาดจากกันเลยนะตอนนี้เอชักไม่ค่อยแน่ไม่ดีละพยะพยะตูปทานนัยานิยานเห็นไผ่เป็นไัยถ้าเราไปติดไปยึดเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องจริงของญาณของปัญญา ที่มันจะเป็นนแบบคุณผููฟังไปเนี่ยเป็นวิปัสนึกวิปสัสคิดแต่คุณเกิดยานตัวนั้นเองจริงๆเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวจริงของยานวิปัสนาญาณที่เจริญขึ้นไปเรื่อยๆวิปัสนาญาณข้อที่สามละข้อที่สีคํานึงเห็นโทษตอนนี้อาทีนวะอาทีนวานุปัสนาญาณข้อที่สี่ของวิปัสนาญาณเก้าข้อที่สาา 9, ี่ 4. เห็นว่าโอ้ถ้าขืนเราปล่อยให้มันมีอยู่ในตัวเราเนี่เป็นโทษแก่เราแน่นอนเป็นโทษแก่ท่านด้วยถ้ามันมีที่เราทั้งเป็นโทษแก่ตนเป็นโทษแก่ท่านจะเห็นโทษเห็นภัยเห็นโทษเป็นปัญญาที่เจริญขึ้นหรือวิชาที่เจริญขึ้นอย่างแท้จริงเป็นความเจริญของปัญญาศิกขาอธิปัญญาศิกขาเจริญขึ้นจริงๆ ไม่ใช่ไปบังคับให้มันเจริญอ่ะมันจะคุณได้คุณเป็นเองคุณจะมีทําไปแล้วมันก็จะชัดเจนมันยิ่งเห็นมันยิ่งปฏิบัติประพฤติมันยิ่งเห็นของจริงมันทําให้เกิดปัญญาเจริญมอกงามไพ่บูนขึ้นเรื่อยๆอย่างแท้จริงเลยแล้วเมื่อยิ่งปัญญามันเจริญขึ้นมันก็เป็นไฟปัญญาเป็นไฟฌานล้างกิเลสสลายกิเลสไปตามแล้วมันจะมีอํานาจมีวิสีมีอํานาจจริงๆเลยนะ เสร็จแล้วมันก็จะเกิดนิพิธานิพิธานุปัชสนาญานนิพิธาคือมันจะเห็นความหน้าหน้าเมื่อนนายหน้ า, นาไม่น่าแล้วหลงคบหากันมาเหมือนกับคุณเคยมีคู่รักนี่แหละโอ้โหแต่ก่อนนี่คบหากันมาอ้รักกันผูกพัน จะอยู่กันตลอดนนรันกี่ชาติก็จะไม่มีพลากจากกันตอนนี้ชักหน่ายชักหน่า ย, อยเออจะไปไหนก็ไปเธออะไรอย่างเงี้นะชักจะในนาชักจะไม่ค่อยจะดูดดึงละนิพพิทาญาณญาณมันจะเกิดลักษณะอย่างนั้นจริงๆไม่ช่แกล้งไม่ช่ไป บ, บังคับ ไม่ได้เป็นบังคับไม่จิตแกล้งแต่มันจะคอยเกิดอาการนี้มันทุกข์นานายในทุกเมื่อน า, นายในทุกขจนกระทั่งได้ปล่อยออกไปจริงๆมุนจิตุกรรมยัตติยานได้ปล่อยออกไปจริงๆริงนายแล้วก็ทีนี้ก็ปล่อยหลุดปล่อยเปื้องออกมันไม่มีอาการนั้นอยู่กับจิตเราโล่งไปโล่งไปเลยมันก็จะโล่งเลยความทุกข์นั้นก็จะคลายลงเบาลง นี่คือความเจริญของยานปัญญาที่มีอาการของจิตลักษณะของวิปัสสนาญาณยานไปถึงข้อเก้าไม่ใช่ข้อเก้านี่ไปแค่หกข้อ น, นี่ไปข้อหกข้อเท่านั้นมันก็ปล่อยออกไปเลยเลื่องออกไปเลยเป็นมุนจิตุกรมยะตญาณญาณที่ ปล่อยเห็นว่ามันปล่อยก็ปล่อยก็สาเร็จก็หลุดก็พ้นหลุดพ้นปล่อยได้จริงๆไม่ได้อยู่ในจิตใจของเราอีกไม่ได้คมไม่ได้กดคมมียานปัญญาเห็นว่ามันเออพรากจากกันไปด้วยดีเลยพรากจากกันด้วยดีเลยนะกิเลสเขาก็ไปของเขา จะพูดโดยภาษาโวหารนั่นก็บอกว่าฆ่าตายฆ่ากิเลสตายไปคือกิเลสมันไม่มีในเราเราจะตายไปจากเราส่วนใครจะรับประช่วงไปก็แล้วแต่นะเราก็ไม่ไปยัดเยียดในใครเราเราไม่ยัดเยียดในใครหรอกใครมารับช่วงเอาไปก็แล้วแต่เราไม่รู้นะนูไม่รู้ทีน่นี้เมื่อทําได้ถึงขั้นนี้แล้ววิปัสสนาญาณหกแล้วอีกสามทำ ทบทวนป ฏ, ปฏิสังขานุปัสสนาญาณพิจารณาทมอีกแล้วก็พิจารณาตามที่ได้ปฏิบัติมานั่นแหละมันก็จะเกิดความรู้ในกิเลสใหม่อีกก็จะชัดขึ้นจริงขึ้นกิเลสตัวตัวเดิมก็ช่างตัวเดิมก็ยิ่งจะชัดจะเร็วจะจริงขึ้นเรื่อยๆก็ปฏิบัติไปตามนี้ก็คืออาเสวนาภาวนาภะโหริกัมมัง อานาอนุรักษณาประธานรักษาผลนั่นแหละทําอย่างงี้อีกทําให้เกิดอย่างงี้แหละไี่ใช่แล้วทําให้กิเลมันรุดมันปล่อยไปถูกต้องแล้วไม่ใช่แค่กดข่มลืมๆทิ้งๆไม่ใช่เห็นแจ้งเห็นจริงเลยมียานนี่เห็นแจ้งวิปัสนาญาณ น, นี่เห็นแจ้งเห็นจริงเลยอ่ากิเลนดับ ก็ทำมิปัจนาอนุปัจนาญาตเอาปฏิสังขาอนุปัสนาญาตก็ให้เกิดญาณซ้ําเป็นอาเซวนาภาวนาภาวนกกามังหรืออนุรักษนาประธานรักษาผลนี่คือผลเริ่มเกิดเป็นผลละผลปล่อยได้นิโรธได้นิโรธเบืนน้องต้นทําซ้ําทําให้มันแข็งแรงทําให้มันเกิดสั่งสมรวมบริจิตเป็นสมาธิในอนาคตเกิดฌานเกิดนิโรธเกิดสมาธิ ฌานเกิดแล้วแล้วก็ได้นิโรธแล้วก็สั่งสมให้เป็นสมาธิสมาธิจะเกิดทิ่หลังจิตตั้งมั่นจิตอะไรจิตที่หมดกิเลสจิตที่ดับกิเลสได้สนิทจังแข็งแรงตั้งมั่นสั่งสมลงไปเป็นอเนิชาไปเรื่อยๆ เ, เ, เ, เ, เป็นอัปปนาสมาธิสุดท้ายจากการทําฌานทํานิโรดนี่แหละไล่ไปเรื่อยๆพอทําแล้วก็จะเกิด ยานที่แปดสังขารุเปกขายานสังขารุเปกขายานก็คือสังขารกับอุเบกขาญาณที่เห็นสังขารเห็นอุเบกขาอุเบกขาคือธาตุจิตที่ตนเองทําได้ทําดีทําได้เก่งทําได้อย่างวิเศษน่ะอุเบกขานัเป็นฐานนิพานแล้วาชาานที่สี่เนี่ยเป็นฐานนิพานคือจิต มันดับเหตุดับกิเลสได้ไปมันก็หมดทุกหมดทุกก็หมดสุขไปเรื่อยๆก็เป็นอุเบกขาหรือเป็นอาทุกขมสุขทําได้ไปเรื่อยๆเรื่อๆเรื่อยๆสั่งสมลงไปเรื่อยๆซําซ้อนรักษาผลไปเรื่อยๆเราก็จะรู้จักสังขารและอุเบกขาเราก็จะเกิดที่จิตเราหรือแม้แต่เราจะ สังขารต่างๆจะปรุงแต่งด้วยอภิสังขารด้วยเราเป็นผู้เจตนาปรุงแต่งแต่ไม่ได้ปรุงแต่งเพราะมีกิเลสร่วมสามารถทํากิเลสออกจากจิตได้แล้วแล้วก็ปรุงแต่งถ้าจะอธิบายขยายความเพิ่มอีกก็คือรู้จักโครงสร้างของสังกปปะเจ็ด รู้จักตากาวิตากาสังกปะอัปนาพยปนาเจตโสพิโนปนาวจีสังขารอันนี้ยังไม่ใช่กายสังขารเป็นจิตสังขารในระดับวจีสังขารยังไม่ออกมาเป็นวจีออกมาเป็นกายกรรมออกมาเป็นข้างนอกอยู่ในจิตเป็นจิตสังขารขั้นวจีสังขารหมายความว่าปรุงแต่งขึ้นมาเป็นสภาวะแล้ว เรียกได้เมื่อเรามีชื่อมีภาษาก็เป็นวจีเป็นคําพูดชาติไหนก็คำนัของตัวเองมีภาษารู้ภาษาถ้าไม่รู้ภาษารู้แต่สภาวะก็เป็นอันนั้นแหละจะเรียกว่าวจีคือสภาวะที่รู้พอทําได้เป็นวจีสังขาร น, นั้นอาตมาจะไม่ขยายความสังกปะเจ็ดวันนี้มันละเอียดไปอีกเราก็จะรู้จักสังขารและสามารถทําสังขารได้ควบคุมสังขารได้เป็นวจีสังขาร จึงเรียกอันนี้ว่าอภิสังขารหรือวิสังขารของพระุทธเจ้าปราเรียกของท่านว่าอิทธาภิสังขารถ้าของพุทธเจ้าเป็นขั้นยกไวตัางหากนียกว่าถึงยอดแล้วอิทธาภิสังขารปรุงแต่งนี่กว่าอภิสังขารทวิสังขารก็คือไม่มีกิเลสเข้ามาสุ่มรวมสังขารย่างไม่วิไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีกิเลส ปรงแต่งอย่างวิเศษอ ภ, อภิรูปนะเพราะฉะนั้นในอภิสังขารสามที่อาตมาอธิบายปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอนเนเชาพิสังขารเนี่ยสังขารสามนี่คือการกรุงของอาริยะธรรมของพระพุทธเจา้าเป็นผู้รู้จักการปฏิบัติรู้จักกิเลสรู้จักการชรําระกิเลสเรียกว่าบุญปุญญาภิสังขาร สามารถชรําระกิเลสได้มาเรื่อย ๆ, ๆเพราะงั้นในข้อแรกบัญญาพิสังขารคือสังขารการชรําระกิเลสสังขารคือการจัดแจงคือการปรุงแต่งคือการทํางานทําหน้าที่มณสิกการนั่นเองสังขารก็คือการทําโดยเจตนาไงมันไม่ได้เป็นธรรมชาติอย่างที่อธิบายไปแล้วตอนแรกถ้ามันเป็นธรรมชาติมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรื่อยๆมันสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ตามธรรมชาติเฉยๆ เป็นไตรลักษณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นไตรลักษณ์สามัลักษณ์แต่ ount, แต right? Palm, แตอันนี้เป็นปัจจัตลักษณ์อันนี้เป็นลักษณ์เป็นลักษณะสามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยเราทำให้มันดับมันเกิดขึ้นก็ทำให้มันดับดับแล้วมันจะดับจนมันไม่เกิดอีกไม่ตั้งอยู่ดับจนมันไม่มีเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่มีตั้งอยู่ทึปานนั่นเลยแต่ใน ภิสังขารที่หนึ่งก็คือชำระไปเรื่อยๆเป็นเซฆะบุคคลพอข้อที่สองอปุญญาภิสังขารก็คือเป็นอเสฆะบุคคลเป็นผู้ที่ไม่จำไม่ต้องชำระและอปุญญาท่านก็ไปแปลกันว่าเป็นบาปตรงข้ามกับบุญบุญก็เป็นสภาพสภาวะที่เป็นของหน้าได้หน้ามีจริงมันโดยพยัญชนะ ห, หน้าได้หน้ามี แต่โดยพย u, ัญชนะนะแต่โดยอัฐิหรือโดยเนื้อแท้โดยสภาว่าข้อมันจริงแล้วเป็นของกำจัดออกทําลายไปทั้งหามันไม่ใช่ได้มีเป็นเป็นจริงแ่ทิ้งไปซ้ํำมันคนเรามันคนละเรื่องเลยนะเพราะอันนี้แหละเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่ถ้ามันไม่ตรงมันก็จะชัดเจนมันจะคานแย่งกันในตัวอัตมาไม่ได้ไปว่าหรอกรอนาไม่ไปตู่ทันทีแปลงั้นเห็นใจ เพราะว่าถ้าเพราะว่าไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่สมบูรณ์มันก็จะเข้าใจอย่างนี้ไม่ได้ท่านก็จะเข้าใจอย่างนั้นก็ท่ า, านก็นก็จะตามภูมิของท่านน่ะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ อ, อย่างนั้นจะมาเข้าใจอย่างนั้นน่ะก็บนไปบนมาระหว่างมีบุญมีบาบาบุญบุญบาบาบุญมันไม่ได้วางบาวางบุญอะไรไอ้นี่มันมาถึงอัปุญญาเนี่ยมันหมดหมดบาบแล้วมันชําระกิเลสตัวเหตุแห่งบาปมันหมดไปแล้ว อปุญญาไม่ต้องชำระอีกก็หมดทั้งบาปแล้วก็ไม่ต้องทำบุญอีกไม่ต้องชำระอีกอปุญญะทำได้แล้วก็สั่งสมรักษาผลนุสั่งสมดังกล่าวเป็นอภิสังขารสามอเนนชาภิสังขารทำอาเนชาภิสังขารก็จะเก่งขึ้นนก็จะสั่งสมผลให้ไม่หวั่นไหวตั้งมั่นไม่หวั่นไหว อนเนนชาเจริญขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตกผลึกขึ้นเรื่อยๆตามความเป็นจริงเลยนเพราะงนั้นผู้ที่สั่งสมสภาพนี้ขึ้นเรื่อยๆก็จะสั่งสมในการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านั้นก็จะปฏิบัติจิตอัตมาอธิบายวิเคราะห์เสริมจากทั้งคาลุเปขายาน ญาณที่จะรู้จักสังขารญาณที่จะเกิดอุเบกขาฐานอุเบกขาฐานคือฐานนิพพานฐานที่วางเฉยเนี่ยมันก็จะเจริญวางเฉยเค่อยๆเรื่อย ๆ, ๆและคุณสมบัติของวางเฉยเนี่ยหรืออุเบกขาเนี่ยอาตมาก็เคยเอาที่พุทธเจ้าท่านแยกเอาไว้แจกวิปังไว้ถึงห้าประการปริสตาปราปรโยวตาตามมทุกรรมัญญาประพัสรานะ ในาธาตุวิพังกสูตรนี่คือลักษณะของอุเบกขามีกรรมัญญาในกรรมัญญานี่มีพยัญชนะว่ากายนะกายะกรรมัญญตากายกรรมัญญต า, า, รร ม, ตามายความว่าจิตเป็นจิตที่คล่องแคล่วแห่งกายกายะนี่กายกายกรรมัญญตาความคล่องแคล่วแห่งกายความ เป็นของควรแก่การงานแห่งกองเวทนาสัญญาสังขารและสังขารแปลว่านกายกรรมัญญาตาในแปลว่าความคล่องแห่งกายความคล่องแห่งกายนะแต่กายนี่คืออะไรความเป็นของควรแก่การงานแห่งกองเวทนาสัญญาและสังขาร กายนี่คือเวทนาสัญญาและสังขารเพราะคําว่ากายนี้อาตมาก็เคยนำมาอธิบายฟังแล้วว่ามันเป็นหมวดแห่งเจตสิกธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารกายเนี่ยเพราะฉะนั้นคําว่ากายคํานี้ยิ่งใหญ่มากยากไม่ใช่เล่นเลยเพราะงั้นผู้ใดที่สั่งสมความเป็นกายวิโมกข์แปดจะต้องถูกต้องวิโมกข์แปดด้วยกายเนี่ย ถ้ามันไม่ครบพระพุทธเจ้าก็ไม่รับรองว่าไม่เซ็นผ่านทิศีให้คุณเป็นบัณฑิตหรอกคุณต้องได้ครบก่อนถึงท่าน จ, จะเซ็นให้หผ่านทิศีเป็นบัณฑิตบัณฑิตตรีโทเอกก็แล้วแต่ในใีถือว่าชั้นเอกเลยแหละไม่เซ็นไม่หรอกคุณต้องครบก่อนนะพราคำว่ากายนี่โอหู อัตอมาก็ขอขยายความคำว่ากายนี่เพิ่มขึ้นในฟังสักนิดหนึ่งวันนี้ว่าอัพระบาลีของพระพุทธเจ้าหลายคำมาดูอัตอมาไม่ได้แต่งเองนะครับบาลีคำเหล่านี้มีอยู่ในหลักฐาน อ, าอยู่ในหลักฐานต่างๆบาลีต่างๆกายกะกะิเป็นต้นกายกะลิหมายความว่าไอ้กายนี่เป็นโทษ ก า, กายกายกะลิเนี่ยกายเป็นโทษสิ่งชั่วชาติที่อยู่ในกายหรือสิ่งที่ชั่วชาติที่อยู่ในกายกายกะลิเนี่ยคุณจะต้องเห็นเลย ว, ว่าอะไรมันเป็นกะลิรู้ไหมอะไรเป็นกะลิอยู่ในกายของเราสิ่งที่ชั่วชาติอยู่ในกายอะไรรู้ไหมนะก็กินเลยก็รู้แล้นะก็นี่ต้องเห็นตัวนี้กายกายกะลิ เรืคำว่ากายเนี่ยอย่าไปเข้าเข้าใจอย่าไปแปลว่าร่างนะไม่ใช่สรีระนะกายกายไม่ใช่สรีระแค่นี้ก็ยากยากที่จะทําความเข้าใจกันในหมู่ชนนะเพราะงั้นรูปประกายนามกายนี่ต้องขยายความกันต่อไปเด็กๆก็ค่อ ย, อ ย, อ ย, อยฟังไปเรื่อยเมื่อเราสามารถที่จะ เ, เรียนรู้เรื่องกายไปตามลําดับตามระดั บ, รดบเราก็จะได้รู้ตัวกายคําว่ากายนี่ไปอีกเยอะนะ คำว่ากายนี่น ะ, ะในมหาสติปัฏฐานคือการปฏิบัติธรรมสติปัฏฐานเนี่ยคือการปฏิบัติปัฏฐานก็คือฐานในการปฏิบัติฐานในการปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องอ่านดูมหาสติปัฏฐา น, นให้ดีๆเลยแม้แต่ในอนาคต อาณาปานสติสูตรท่านก็รวมมหาอสติปัฏฐานไว้นําไว้แล้วก็ขยายอาณาปานสติคือฝ่ายในด้านในให้ฟังแต่ไม่ได้ทิ้งสติปัฏฐานแต่คนก็ไปตัดทิ้งมาปฏิบัติอาณาปานสติทุกวันนี้อยู่ในพบทิ้งข้างนอกหมดเลยไม่มีมหาสติปัฏฐานไม่มีสติปัฏฐานสี่ ม, มหาสติปัฏฐานสี่นั่นแหละจะลึกเข้าไปถึงอาณาปานสตินี่เป็นนัยยะสําคัญที่จะต้องเข้าใจ แต่ผู้ปฏิบัติที่ผิดพลาดทุกวันนี้ก็คือไปสัญญาวิปลาสเอาอาณาปานนั้นสติคือเอาแต่ในผวังนั่งสตินั่งหลับตาแล้วก็อยู่ในอาณาปานที่คือเอาลมหายใจเข้าออกแล้วก็สะกดจิตตั ว, ตวนี้ทําได้เจโตสมถะทาได้แล้วก็อย่าให้ทิ้งตัวนี้แต่จะต้องทบทวนปะอ่าเตวิโชธรอันนี้เพื่อจะได้ศึกษาเตวิโชแต่ถ้าเผื่อว่าไม่ศึกษาเตวิโชในสติปัฏฐานหรือมหาสติปัฏฐาน ก็ต้องอยู่ อ, น, อนาปานสี่ก็อยู่ด้วยแต่อยู่อย่างลืมตาอยู่อย่างสติปัฐานสี่อยู่อย่างมหาสติปัฐานซึ่งในมหาสติปทานนั้นเริ่มต้นใน ก, กายคตาสติฟังดีๆตมาอธิบายให้มันละเอียดแล้วก็เริ่มต้นทงางการกลางการงลามันปลายให้จัดชัดอย่าไปทิ้งของท่านของพระเจ้าท่า น, นสมบูรณ์แบบแต่ที่นี้ตัด วินตัดขาดอะไรๆนี่มันก็น่าหงสารนะอาตมาเชื่อว่าคุณแปดจดศูนย์ห้าคงนั่งฟังอยู่นะฟังดีๆนะ ส, สู้สร้างละพเตปัญญงฟังแล้วก็จะได้ปัญญานะเพราะกายคตะหรือกายคตาเนี่ยสิ่งที่เป็นไปในกายหรือว่าสิ่งที่อยู่ในกายของเรากายยคตะหรือกายคตาเนี่ยกายกายคตะกายยคตะหรือกายคตา กายคตาสติก็คือมีสติกำหนด ร, รู้องค์ประชุมของการเป็นไปสิ่งที่เป็นไปในในคําว่ากายกายทั้งหมดนี่หมดท่านอนธะิบายแยกกายขตาสติไว้ทุกอย่างให้พิจารณายอย่างนี้องรวมนี่ทั้งอิริยาบทมีทั้งวัตถุมีทั้งมหาปุรติรูมีทั้งการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของร่างเลยนะเปลี่ยนแปลงทางจิตนี่ก็ไล่ไปต่อต่อจากกายคตตาที่จะมีนัยยะของทางนอกองค์ประชุมทางนอกเดียกว่า รูปกายนามกายก็พิจารณาต่อเข้าไปนงงั่นเองเมื่อคุณมีกายานุปัสสนานี่ก็คำว่ากายนะอาจารมาจะหยิบคำว่ากายมาตั้งแต่กายกะลิแล้วนี่กายคตะหรือกายคตาแล้วกายานุปัสสนาคือการให้มีสติพิจารณากายพยายามฝึกฝนตั้งสติ พิจารณาตรงประชุมขององค์กายคือองค์ประชุมต่างๆที่มันเกิดสังเคราะห์สังขารกันอยู่จริงๆก็คือสังขารทั้งหลายนยั่นแหละตั้งแต่ภายนอกถึงภายในปรุงแต่งกันอยู่รูปนามปุงแต่งกันอยู่ครูก็ปฏิบัติกายานุปัสนานีกายานุปัตสีเนี่ยผู้จะพิจาราเห็นปัตสีกายานุปัสนานี้ กายานุปัสสิจะเห็นกายอเห็นองค์ประชุมไปต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆอแล้วก็กำหนดรู้พิจัยวิจากรกำหนดรู้ตามความเป็นจริงไปเรื่อยๆไม่ใช่การคิดการนึกไม่ใช่วิปัสคคิดวิปัสสนึกปฏิบๆๆัตๆๆๆๆนะแิแล้วก็มียานเห็นไปเรื่อยๆตามลําดับตามลําดับนเสร็จแล้วการทําอย่างนี้แหละเป็นการฝึกฝนเรียกว่าภาวนา ให้เกิดผลเรียกว่ากายภาวนาทำให้เกิดผลอบรมให้เกิดผลครบกายกายภาวนาปฏิบัติภาวนาครบทั้งกายไม่ใช่ปฏิบัติภาวนาตัดองค์ประชุมนอกทิ้งมีแต่นั่งหลับตาภาวนาอยู่ในจิตอยาให้จิตนอกออกนอกตัวมันคนละเรื่อง ก, กับความเป็นจริงเลย เกิดกายภาวนาคือการอบรมบริบูรณ์ทางกายฝึกขัดกายก็จะเกิดกายสักขีฟังดีๆนะคำว่ากายต่างๆนี่อาตมาไม่ได้บัญญัติเองนะคำเหล่านี้อาตมาไม่เก่งปานนั้นหรอกเอาคำคาว่ากายต่างๆมาอธิบายเนี่ยก็จะมีสภาพต่างๆเป็นพยานให้ตนรู้ตนเห็นไม่ใช่มีแต่คิดแต่นึก ไม่ไดวิปัตสนึกวิปัสสกิดแต่เป็นวิปัสนาเกิดญาณรู้ละเอียดละ อ, อเลยเป็นผู้มีตนอันเป็นพยานมีสภาพตนก็คือสิ่งที่ตัวเอกตนหรืออัตตาอัตตาเคยแปลแล้วแปลว่าอะไรสิ่งซึ่งยกขึ้นมาหรือสิ่งซึ่งสมมุติขึ้นมาหรือตนหรือตัวตนเนี่ย ขยายความก็ปแปลว่าสิ่งซึ่งสมมุติขึ้นมาหรือสิ่งที่ยกขึ้นมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาให้เห็นนะสมมุติก็คือสิ่งที่มันเกิดให้รู้สมมุติเนี่ยอันนี้มันเกิดตามสภาวะเหตุปัจจัยนะเราไม่ได้ไปสร้างสมมุติขึ้นมาในโลกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเราไปรู้ก็คือรู้ร่วมกันเลยว่าสมมุติแต่คนอุตรีไปสร้างมันขึ้นมาก็สมมุติได้ก็คือคนปรุงแต่งสร้างขึ้น เพิ่มเติมขึ้นมาแต่ของธรรมชาตินั้นก็เกิดอยู่แล้วไอ้ของธรรมชาติที่เราไปเห็นนั่นแหละเดี๋ยวบอกเป็นสมมุตินะเพราะนั่นก็จะมีกายสักขีน่ะเราก็จะมีพยานสักขีมีพยานมีหลักฐานความจริงให้เรารู้เราจับพยานได้หลักฐานจับหลักฐานได้จับหลักฐานได้หไดเหมือนกับเขาเรื่องจับพิสูจน คุณเอกยุทธ์เนี่ยเราต้องเอาสมัยใหม่สมยปัจจุบันธรรมอธิบายบ้างก็ค้นหาหลักฐานเจอนี่กายสักคีนะเมื่อเราเจออะไรแต่ อ, อะไรก็เกิดการรู้แจ้งเห็นจริงด้วยกายกาติญาะกายญตนณะาานะอายาตนะขององค์ประชุมต่างๆไปสัมผัสรู้เออนี่เอนี่ เ, อเอจอแล้วอะไรที่ไปสัมผัสเขาจะเกิดภาวะหนึ่ง ญาณกับสิ่งที่เราไปสัมผัสรู้ขึ้นมามีสองสิ่งก็จะเกิดอายตนะมันเป็นสิ่งที่เชื่อมสื่อรับรับสิ่งนั้นให้มันให้เรารู้ได้นะเราปฏิบัติไปเราก็จะสามารถรู้สภาวะที่เป็นทุกข์สภาวะที่มันทันแปลกันอย่างดุดุเลย ท่านเรียกมันว่ากายยตหะกายยตหะทอพุทธอทมโทกายยตหะหมายคือความเร่าร้อนแห่งกายกายยตหะเนี่ยความเร่าร้อนแห่งกายก็เราก็จะเจอสิ่งนี้ก็คือตัวที่มันพาเร่าร้อนนั่นแหละอะไรกิเลสนะ มันจะทําให้เราร้อนมันเป็นความเร่าร้อนมันทําให้กายเราเกิดการเร่าร้อนอีกอันนึงเรียกว่ากายตปนะกายตปนานอนหนูเนี่ยกายตะปะตะปะระเบิดร้อนตปนี่ยการยังกายให้เร่าร้อ น, นเราก็จะเจอเราจะรู้ตัวไอ้พวกนี้ ตัวนี้แหละกายกะลิตัวโทษตัวชั่วช้าตัวกายกัลิตัวนี้แหละเมื่อเราปฏิบัติอย่างที่ว่านี้เราก็มีวิธีกำจัดตัวนี้ก็กําจัดไปคุณกำจัดไปเรื่อยเรื่อรือยรือรืรืจนกระทั่งกำจัดสำเร็จมีวิปัชนายานดังที่อธิบายมาแล้ว จนเกิดอุเบกขาจนเกิดผลและคุณกระทำซ้มปฏิสังข า, านุปัสสนายานแล้วก็ทําจนกระทั่งสังขารูปเปกขาญาณก็คุณก็จะเกิดอุเบกขาที่มีคุณสมบัติของปริสุทธาประโยชธาตามุทุกรมมัญญาประภัสตากรร ม, มัญญาก็จะเกิดกายกรมมัญญตา กายกรร ม, มัญญตาที่แปลว่าความคล่องแคล่วความไวเร็วไวก็คืออันอีกอีกคำหนึ่งก็คือ <c oughs> ที่เอาเคยเอาอัดมาเคยเอามาพูดก่อนนะก็คือคําว่ากายปาคุณยตากายปาคุณยตามีความหมายคล้ายกันมีความหมายคล้ายกันกับคําว่ากรรมกายกรรมัญญตา มีความหายคลายกัน่นากายะกัมัญต า, าความคล่องแห่งกายหรือความเป็นของควรแก่การงานการงานของหรือแห่งเป็นของควรแห่งการงานแห่งกองเวทนาสัญญาสังขารกายนี่คือหมวดเจตสิกสามนี่แหละคือเวทนาสัญญาสังขารนี่คือกายกายะนะ มันจะเป็นความเป็นของควรแก่การงานกรรมยตกรรมยตานี่ครับแปลว่าควรแกการงานขยายความคําว่าควรแกการงานก็คือจะทําการงานนี่เหมาะควรไปได้คุณสมบัติที่ดีไปเรื่อยเพราะมันทํางานด้วยไม่มีกิเลสจิตมันอุเบกขาแล้วอ่ะจิตมันไม่มีกิเลสมาปรุงแต่งแล้วมันเป็นการงานที่เป็นอภิสังขารเป็นการกระทํางานที่ ทำเพื่อประโยชน์ไม่ได้ทําเพื่อตัวเพื่อตอนเพื่อกิเลสตนมันไม่ใช่มันทําเพื่อประโยชน์โดยเฉพาะประโยชน์ผู้อื่นอันควรไปเรื่อยๆแก่งขึ้นก็ทําได้กว้างขึ้นมากขึ้นไปเพร่อหุชนะหิตายะหิชนะสุขายะโลกาโนกัมปายะนะจิตก็บริสุทธิ์ปริสุทธาปริโยทาตายิ่งขึ้นปริโยทาตากับปริสุทธา อัตมาก็เคยขยายความมันมีความต่างกันมันบริสุทธิ์ตั้งสองอย่างนั่นแหละบริสุทธิ์คือลักษณะที่ระบุลักษณะของความสะอาดของจิตแม้คุณจะมีการทำงานจะมีการคลุกคลีเกี่ยวข้องสัมผัสสังขารนังคุณก็อนเนนชาสังขารนังคุณก็มีจิตตัวสมาธิตัวตั้งมั่น ตัวอัปปนาพยัปนาเจตโซผนิโรปนาจิตตัวที่มันตั้งมั่นแข็งแรงแน่วแน่แนบแน่นยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยเรยิ่งทําไปเรื่อยเรื่มันก็ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพเพิ่มสมรรถภาพขึ้นสูงขึไปเรื่อยเตามจริงก็เหมือนกับเรายิ่งชานาญอ่ะยิ่งชานาญยิ่งมีทักษะสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นธรรมดาธรรมชาติที่ได้ปฏิบัติประพฤติอย่างเรียนรู้อย่างฝึกฝน มันห้ามไม่ได้กันไม่ได้เรามันจะต้องได้ของมันจริงๆมันจะต้องเจริญของมันจริงๆเรามีความรู้มีความสามารถกระทาถูกต้องมันก็ยิ่งได้อย่างลึกซึ้งอย่างสูงส่งทัพทวีกันไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆเป็นสังขารุเปกขาญาณเราก็จะรู้ว่าของเรานี่เก่งสังขารุเปกขาคือสังขารจะปรุงแต่ง เราจะปรุงแต่งอภิสังขารได้เท่าไหรเท่าไรเท่าไรเท่าไ ร, ไ ร, ไรกับคนอื่นก็อนุโลมปฏิโลมหรือว่ายืดหยุ่นกับคนอื่นเขาได้เป็นสังต่อจากอันนั้นก็เป็นยานข้อที่เก้าเลยของนญญิพพานยานเก้าคือ ส, ส, สัจจานุโล ม, มิกยานยานที่จะยืดหยุ่นอนุโลม ป, ปฏิโลมกับคนอื่นเขานาเป็นยานที่จะนั่นแหละอนุโลมนแหละจะให้ ทำได้เท่าไหร่ก็จะทำโดยที่เร่าไม่ได้เป็นคนที่ทําเล่นๆมันจะมีการประมาณมีมัตตัญญาตามีการประมาณอย่างแท้จริงเป็นสัตตบุรุษจะต้องมีมตตัญญาตัสัตตบรุษสัมบรุ ษ, รษทำเจ็ดประการนั่นจะต้องมีจริงๆเป็นญาณเป็นปัญญาเป็นความประมาดระวังของตนไม่คุณสมบัติของสัตตบุรุษนะมันมันเป็นจริงก็จริงเป็นจริง พระท่านฝึกฝนมาท่านจะไม่ประมาทท่านจะไม่ประมาทอั ป, ปมาญยาก็ไม่ใช่อั ป, ปมาทะท่านจะไม่ประมาทเพราะท่านรู้โทษรู้ภัยรึงอะไรจะไปทำโทษทำไปเพราะเราทำงานเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่ออยากได้อะไรตอบแทนล้วทำฟรีอ่ะแล้วจะต้องไปโลบมากทาไมอ่ะก็ได้เท่าที่ควรให้ดีเต็มที่ถ้ามันน้อยไปก็เออเราทาได้ก็ทาไปเถอะใช่ไหม ก็เป็นประโยชน์แต่จะไปทําเกินแรงเกินควรเพื่ออวดเพื่ออ้างก็จะไม่เอาแล้วอ่ะโลกยิยาอย่างนั้นอะลาบยศสันเสริญอะไรแล้วแล้วก็คนผู้นี้ไม่เอาจริงๆแล้วมันก็เป็นสัจจะท่านจะไปทําทําไมทำทำไมก็ท่านไปทําเอ า, เอ า, เ, อาเอาสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เอาแล้วมันก็เป็นสัจจะนอกจากคนที่ไม่จริงถ้าคนไม่จริงเขาก็มีแน่นอนแฝงนะมันก็แฝงอยู่เพราะยิ่งทําปริ โยธาตานี่คือทํางานเข้าไปความสะอาดเป็นสังขารุเปขาหยานโดยสังขารุเปกขาทนต่อสังขารสังขารแข็งแรงขึ้นตรงแต่งอนุรูมปฏิโลมได้เก่งขึ้นอุเบกขาก็ยิ่งเก่งสังสมทุกทัพทวียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นความเฉยความว่างความวางความปล่อยก็ยิ่งสังสมลงเป็นคุณสมบัติที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น จิตก็ยิ่งแคล่วคล่องนะจิตก็ยิ่งเป็นกายกรรมญญตาหรือกายปากายุตตกายปาคุญยตาขึ้นเรื่อยๆในภาคจิตสงบ ก, ก็เป็นกายปัสจัธิองค์ประชุมที่ปัจจัธิจิตก็ยิ่งแวววายยิ่งขึ้นเป็นมุทุภูตธาตุมุทุภูตเตคล่องแววว ไวจริงๆไวขึ้นเร็วขึ้นคล่องแคล่วขึ้นมันเป็นธรรมชาติของสัตว์ธรรมที่มันจเจริญแล้ว ม, มันก็จะเป็นเช่นนั้นขึ้นจริงๆนะคุณสมบัติเหล่านี้ที่อาตมาเอามาขยายความนี้ก็ละเอียดไม่ใช่น้อยนะละเอียดไม่ใช่น้อยจะละเอียดกว่านี้ก็ได้อีกแต่เอาเถอะขนาดนี้ก็อาตมาว่าไม่ใช่เบาแล้วนะอธิบายไปถึงขนาดนี้นะ เขเขาเอาบอกอะไรอยู่ในอะไรเนี่ยนี่ในพระเจ้าปิฎกเล่มไหนมีอะไรอะไรต่างๆนานาเ น, นี่ยอาตมาไม่เอามาจากเล่มนี้นะเ น, นี่เยเล่มสามสิบสี่นะนี่ยสาสิบแปดอ๋อเหรออาตมาอธิบาย ไ, ไ, ไปไปชนกับอะไอันนี้เหรอจริงๆอาตมาไม่รู้อ่ามันจะมีทั้งนั้น่ะมีกายกรรมัยาตามีกายกปัจจุบัมีไม่มีมากกว่านั้นเนี่ยจิต ปาคุณยะตาเมื่อกี้นี่จิตปายคุณยะตามีกายยะปุณกขตาเขามีนะมีกายยุชุกขตาอีกมีอะไรตาอีกอาตมาไม่ได้พูดถึงคํานี้ด้วยซ้ำไปนะอาตมาก็ไปพูดถึงคําอื่นอา้าวก็จริงๆแล้วถ้าพุทธีเข้าใจสภาวะธรรมแล้วอาตมาก็ไม่อุตริที่จะไปเอาไอ้ของนอกนอกนี่คือ พ, พยัญชนะของบาลีพยัญชนะที่ท่านมีคําเหล่านี้มันต้องแสดงถึงว่าภาษานี้ต้องมี สภาวะธรรมมนี้แล้วจึงมีภาษานี้มีภาษาโดยไม่มีสภาวธรรมใครจะมาสร้างกันมาทําไมภาษาเปล่าๆใช่ไหมมันภาษาที่สร้างขึ้นแล้วยังอาตมาเห็นภาษานี้แล้วอาตมาก็รู้ว่าออสภาวะตามอันนี้คืออะไรอาตมาก็หยิบมอธิบายได้ไงไม่ใช่วิปัสสนึกวิปัสสคิดแต่วิปัสสนามันมีของจริงก็เห็นของจริงรู้ความจริงตามความเป็นจริงก็เอามาขยายสู่กันฟังนะ เพราะั้นความเก่งหรือความไวความคล่องของอจิตที่คล่องขึ้นอย่างที่ว่านีนาจนกระทั่งมันสมบูรณ์แล้วมันก็เป็นกายวิเวกเป็นกายวิเวกซึ่งมันก็จะเห็นได้เห็นได้แม้คุณจะควงจักพันอยู่เลยก็ยังเห็นกายวิเวกเออ ควงจักพันอยู่ก็เห็นใครคนตาดีแต่คนตาไม่ดีก็เอาธาตุที่ควงเออเนี่มันไม่นิ่งมันไม่สงบสงบเห็นตื้นต้นแค่นิ่ง ต, ต้องอยู่เฉยๆอยากกระดดกระลิ ก, ก, กน่ะคือนิ่งก็คือเห็นตาตื้นต้นเห็นแค่ภาพง่ายๆมองเข้าไปถึงนามธรรมมองเข้าไปถึงลักษณะองค์ประกอบอย่างอื่นกายวาจาใจประมวลแล้วโอ้องนิ่งน่ะองนิ่งๆกายวิเวก กายนี่คือองค์ประชุมทั้งหมดแม้วาจาหรือกายกรรมหรือวจีกรรมเจ้าไม่เพ็ดร้อนอยู่ด้วยทัางไปฟังที่ฟังเหมือนกันอตาตมาอธิบายเหมือนเพ็ดร้อนนะแต่วิ่เวกสงบคนฟังแล้วคนไม่รู้เรื่องก็จะหาว่าอตาตมาพูดเราเองน่ะ เมื่อเก่งมากๆมากๆมาๆเข้าก็จะมีจิตนี่เร็วเรียกว่าชวนาจิตจิตตัวนี้จะเกิดสภาวะทำให้เกิดกายวิชมพนะคือความว่องไวของกายความว่องไวของกายขององค์ประชุมทั้งเวทนาสัญญาสังขารหมดเจตสิกสามมันรเร็วเวทนาก็เร็วสัญญาก็เร็วสังขารก็เร็วรวมแล้ว เจตสิก ท, ทั้งสานี่คือวิญญาณนี่ก็คือวิญญาณของพระพรหมวิญญาณของพระเจ้าวิญญาณก็ผู้สร้างผู้วิญญาณที่บริสุทธิ์วิญญาณของผู้บริสุทธิ์วิญญาณของผู้สร้างซึ่งมีองค์เจตสิกสามนี่คือหมดเจตสิกสามนี่องค์รวมนี่เรียกว่ากายาไกโยเรียกว่าไกโยหรือกายาเพราะกายาพวกนี้เป็นลักษณะของ กายสมังคีน่ะเป็นการมีสภาวะพวกนี้พร้อมเพียงกันอยู่ไม่แยกกันกายสมังคีมีทั้งเวทนาสัญญาสังขารที่เป็นหมดเจตสิกธรรมรวมกันอยู่นี่เรียกว่ากายนะเพราะฉะนั้นแม้จะมีรูปประกายรูปคือสิ่งที่ถูกรู้และพูดจะถูกรู้ได้ ก็ต้องมีธาตุรู้ไปรู้คุณไม่มีธาตุรู้ไปรู้ถูกให้ตายคุณก็ไม่รู้สัมผัสให้ตายคุณก็ไม่รู้เพราะคุณไม่มีธาตุรู้จะไปรู้เช่นคนนอนหลับที่เศราเอาอะไรมาสัมผัสยังไงคุณก็ไม่รู้เอามาใส่ตาตาก็หลับแล้วเอามาใส่ตะมูกจมูกก็ไม่รับรู้บอกกล่นอะไร เสียงเอาใส่หูก็ไม่ได้รู้แล้วว่าเสียงอะไรพอมันปิดถ้ารู้ไม่ได้ทำงานหรื อ, อยิ่งตายร่างกายนี้ตายแล้วเป็นมหาภูตา ร, รูปเป็นรูปดินน้าไฟลมนอนตายอยู่มันจะไปรู้อะไรอะ่ะโอ้ตายดูเวลาแล้วเนี่ยมันปาเข้าไป <c oughs> อาตมาเพลินเกินไปไม่มีใครทักเลยมีแต่นั่งรับ อาตมาพูดไปพยักหน้ารับรับรั บ, ร บ, รบตอบรับไม่ได้ทักท่วงเลยว่าหมดเวลาแล้วเลยเวลาลวพูดเลยโอ้อาตมาไม่มีนาฬิกาอยู่ข้างในนาฬิกาของอาตมามันเสียมันเป็นอะไรไม่รู้มันดเมื่อใช้มาตั้งสามสิบกว่าปีแล้วนาฬิการเรือนนี้ว่านาฬิกาจับเวลา มีผู้ที่ถามมาเอาเดี๋ยวเดี๋ค่อยตอบเลยต่อประเด็นเลยเอาเอานี้ก็จะวักไปสักก่อนกันแล้วกันมันพูดได้ต่ออีกเดี๋ยววันพรุ่งนี้ประสุกจะยาววันศุกยาวกว่นี้แน่นอนวันนี้เอาไว้พอทุ่มทัวม์น่าไม่น้อยนักก็ทุ่มทัวร์ในพรุ่งนี้เอาทวนบ้างถ้าไม่ทวนก็จําได้หมดไหมเนี่ย อาตมาว่ามันคงไม่ง่ายขนาดนั้นนะเนาะก็ไม่เป็นลายทวนบ้างไอ้จำที่ว่าเนี่ยไม่ให้ท่องจาพยัญชนะเท่านั้นนะจำความหมายต่างๆําไห้สภาพธรรมต่างๆที่อาตมาพูดไปนะ่ะอาตมาเองอาตมาก็จะพูดได้อย่างเก่าหรือเปล่าไม่รู้แต่อจะแต่ไม่ไม่ไม่แปลกไปไม่ผิดเพี้ยนไปจากสภาว่าทำเก่าหรอกแต่พยัญชนะอาจจะว่าเรียบเรียงมากลดเก่าหรือน้อยกว่าเก่าหรือว่า ละเอียดกวเก่าอะไรขึ้นไปอีกได้นะไม่มีปมัญหาเลยเอา้าพักการบรรยายคนเดียว โ, โหเหลือไปดูนาฬิกาแล้วเจ้าปะคุณไปสักลิวลิวเลยเลยเวลาเข้าไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วน่าเอา้าตอบประเด็นก่นอนจะตอบประเด็นก็บอกเบอร์โทรศัพท์ตามธรรมเนียมก่อนเบอร์โทรศัพท์ที่หน้าจอขึ้นแล้วดูตามหน้าจอเอาอาจรมาจะอ่านทวนให้เทีเ่ยวเดียวนะเทีเ่ยวเดียว อ่านเดียวได้วเวลากันมาไปกินเวลาตัวเองไปเยอะอ่านในฟังเที่ยวเดียวอ่าเบอร์โทรศัพท์สองหมายเลขคือศูน5 8แปดแปดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้ากับศูนย์แปดแปดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งหกอ่าดูที่หน้าจอสำหรับผู้ที่ทาวิทยุก็ ต้องจดต้องตามฟังหน่อยอาจมาขออธิบายคําเ อ, อขอคานครั้งเดียวอทีนี้มาผู้ที่ส่งประเด็นมาเจ้าแรกนี่บอกว่าอย่างนี้นาบอกว่าจากต้นหญ้าริมบึงหลายวันมานี้ได้ฟังธรรมะเรื่องที่ว่าด้วยกายว่าด้วยกายหลายวันมานี้วันนี้ก็ยิ่งซ้ําไปเยอะธรรมกายเรื่องว่าด้วยกายขอสรุปความเข้าใจ นะขอสรุปความเข้าใจที่มีต่อคำว่ากายอ่านอย่างภาษาบาลีก็ว่ากายะนะกายะกายดังนีนะ้คนนี้สรุปมารูปรูปคือรูปที่ถูกรู้เช่นคนสัตว์สิ่งของนะรูปรูปคนสัตว์ สิ่งของเช่นตัวอย่างหรือดินน้าไฟลมมหาภูตธรูปถูกต้องในตัวมันเองแต่คุณจะเรียกรูปรูปหมายความว่ามีรูปรูปีรูปานิปัสติจะต้องมีการเห็นแล้วจึงจะเกิดรูปรูปถ้ารูปมันอยู่ของมันเองมันก็ไม่เป็นรูปรูปมันก็เป็นรูปของมันอยู่อย่างนั้นเนี่มันก็เป็นสิ่งนั้นน่ะ เสียงก็เป็นรูปของมันอยู่งั้นน่ะกลิ่นก็เป็นรูปของมันอยู่งั้นน่ะมันไม่มีใครไปรู้มันนี่มันรู้มันเองที่ไหนเล่ามันไม่มีนามพระมหาภูตา ร, รูปทั้งหลายแหละมันไม่มีนามมันไม่ได้ถูกรู้โดยเรานะเรียกว่ารูป ร, รูปหรือแม้จะเป็นคนเขามีนามของเขาเขาก็ไม่ได้ดูเขาตัวเองคุณก็จะต้องไปดูคนอื่นพวามไปดูอันอื่นเราเรียกว่ารูประรูป อีก <c oughs> อีกสิ่งหนึ่งเพราะนั้นจึมีมีผัรษาสามมีสิ่งหนึ่งแล้วก็มีมีอีกสิ่งนึงของเราเนี่ไปกระทบจึงจะเกิดวิญญาณ <c oughs> เรียกว่าพัรษาสามต้องเกิดครบองค์สามมีอันหนึ่งกับอีกอันนึงอันนึงเรียกว่ารูปอันหนึ่งเรียกว่านามเรียก พ, พยัญชนะนะามรูปนามกระทบกัน รูปคือรูปะแล้วก็มีนามไปกระทบรูปเกิดผัสสะจึงจะเกิดรูปรูปรูปรูในคำแรกกระทบรูแล้วอันนี้เออรูปรูปถ้าจะเรียกว่ารูปกายก็ได้ถ้าเรียกอีกทีหนึ่งเป็นอง์รวม แต่มันยังไม่มีอะไรมากมันก็แค่เกิดแค่เนี้อันนึงกับอีกอันนึงนามไปรู้มันเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นยังไม่มีสิ่งอื่นเลยนารูปรูปสิ่งที่ถูกรู้รูปที่ถูกรู้ต่อมานามมารูปคือนามมาทำที่ถูกรู้เมื่อกี้รูปก็คือข้างนอกนามคือข้างในธาตรู้นามมารูปนี่คือ เราไปมียานไปรู้นามธรรมของเราเช่นในสติปัฏฐานสี่มีกายนอกกายนอกท่านไม่ได้กล่าวไว้ทีเดียวแต่ทัดพลาดพิงเวลาทัดอธิบายอานาปาณสติก็ตามอธิบายมหาสติปฐานก็ตามอ่ามันจะมีกายนอกแล้วเราก็สติปทานเราก็กําหนดรู้สติปทานเนี่ยสติปฐานสี่เนี่ยรู้กายนอกกายใน แล้วก็เข้าไปหาในพอเริ่มจนกระทบแล้วเข้าไปในก็เป็นอุปาทายรูปแล้วเป็นกายในเป็นองค์ประชุมเข้าไปข้างในจากไอ้ที่ถูกรู้เป็นกายในมาจากข้างนอกมาถึงกายในก็ลึกเข้าไปในกายในกายอีกกายในกายกายในกายในองค์ประชุมเข้าไปใ น, ในกายข้างในเข้าไปอีก กายในกายนั้นก็เป็นนามขึ้นมาก็เราก็ไปรู้นามกายในกายอีกทีนึ่งใช่ไหมนามก็คือธาตรู้ตอนนี้ธาตรู้ที่เราถูกรู้เนี่ยเรียกมันโดยพยัญชนะกายในกายที่มันถูกรู้ตอนนี้ตัวแรกที่มันจะรู้นี่ก็คือตัว สังขารหรือเวทนากายเนี่ยคือหมวดเจตสิกทำความรวมองรวมของเวทนาสัญญาสังขารสัญญาหรือสังขารสัญญานี่เป็นตัวกำหนด ร, รู้ตอนนี้เรายังไม่ได้ไปกำหนดรู้ความจำแต่เรากำลังกำหนดรู้ความเป็นปัจจุบันธรรมกำลังกระทบรู้ตัวนี้ของจริ ง, ร ง, รงส ด, สดไม่ใช่ของแห้งถ้าเป็นกาหนดรู้ความจาอีกทีหนึง่งอีกเรื่องหนึง่งค่อยๆพูดทีหลัง รูปอะรูปที่สาเร็จด้วยสัญญาอีกทีหนึ่งอันนี้มันเป็นตัวจิตตัวนามที่รู้ด้วยตัวญาณปัญญาสดๆตอนนี้เพราะว่านามตัวแรกที่รู้ที่เป็นกายในกายเนี่ยมันเป็นตัวนามแล้วมันรวมไปองค์ประชุมทั้งสังขารเวทนา ทั้งสังขารทั้งเวทนาก็แยกเวทนาเวแยกสังขารโดยความหมายสังขารแปลว่าความปรุงแต่งกันอยู่โดยความหมายของเวทนามันคือลักษณะอารมณ์ของมันลักษณะความรู้สึกของมันในตัวนี้แหละในกายในกายตัวนี้แหละในองค์ประชุมวันนี้แหละองค์ประชุมของเจตสิกนี่แหละ สังขานด้วยเวทนาด้วยสัญญาตร์รวมอยู่ด้วยกำหนดรู้ทำงานอยู่ด้วยเพราะตัวที่ถูกรู้นี่นจึงเรียกว่านามรูปหรือองค์ประชุมทั้งหมดเรียกว่ารูปรกายรูปรกายนะเ น, นี้ยมันต่อมาจากข้างนอกแล้วแล้วเข้ามาข้างในมาเป็นกายกายในกายแล้วก็มารู้ รู้เป็นรู ป, ปกายแล้วท่านนามกายกมามมาเราทิ้งตัวรูปคุณจะทิ้งต่อเมื่อคุณอยู่เนื้อมันแล้วถ้ายังไม่อยู่เนื้อมันคุณก็ยังอย่าเพิ่งไปทิ้งเพราะฉะนั้นถ้าทำเป็นลำดับคุณยังไม่เป็นอนาคามีคุณยังไม่ตัดกิเลยัยงไม่ได้ไอ้ส่วนข้างนอกคุณก็ต้องเรียนไปจนคุณ เฉยวางสังขารุปเปฆายานวางเขามันได้แล้วข้างนอกคุณจึงเหลือพิจารณาแต่เพียงนา ม, มกายแต่นี้คำว่านา ม, มกายคือองค์ประชุมเฉพาะนามข้างนอกน่ะมันจะต่อเนื่องมายังไงก็ไม่ต้องพิจารณาแล้วไงกิเลสที่จะเกิดจากข้างนอกน่ะหมดแล้วหยาบหมดแล้วโอราติกโราธิกาอัตตาหมดแล้ว มโนมยอาอัตตาหมดแล้วโดยเฉพาะยิ่งเหลือแต่อรูปอัตตาคุณทบทวนได้เลยเอากําหนดรู้ได้ด้วยสัญญาหรือด้วยปัจจุบันก็ได้ปัจจุบันก็ลุกําหนดรู้ได้ด้วยจิตอรูปถ้าอารูปนี่ก็คือรูปที่มันลึกข้างในจนกระทั่งมันไม่เกี่ยวข้องกับกายไม่เกี่ยวข้องกับการไม่เกี่ยวข้องกับรูปไม่อยู่ในกามาวจรมันอยู่ในรูปาวจร อยู่สําหรับผู้ที่กิเลสหมดจากกรามาวจรรูปาวจรแล้วอยู่แต่เหมือนเราไม่อยู่เพราะว่าเราไม่มีตนตัวตนแล้วเราหมดตัวตนแล้วแต่ก่อนนี้เราจึงมีตอนนี้เราล้างตัวตนหมดแล้วแล้วก็เลยมีเหมือนไม่มีเนี่ยภาษาพวกนี้เรายากคําว่ามีก็ไม่มีเนี่ยยากถ้าคนที่ไม่มีสภาวะฟั่งแต่พยัญชนะเฉยๆก็สับสนหน่อย กำหนดตัวมันก็จะผิดษาผิดตัวบ้างแต่คนที่จะมีสภาวะเนี่ยจะชัดเจนขึ้นถ้ายิ่งมีภูมิธรรมสูงก็จะยิ่งชัดยิ่งกำหนดได้แม่นขึ้นแม่นขึ้นนะเพราะฉะนั้นคสรุปคาว่ารู ป, ป ร, รูปก็คือรูปที่อยู่ข้างนอกที่กำหนดเข้าไปถูกรู้ต้องเกิดเมื่อเวลามีการสัมผัสมีสองสิ่งรู ป, ปีรู ป, ปานิตัดสตินะนามมารูปคือ สิ่งที่ถูกรู้ที่เป็นนามมาทำแล้วกายในกายเข้าไปเป็นเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็เป็นนามมารูปทั้งนั้นรูปประกอบกายอธิบายแล้วรวมไม่หมดทั้งข้างนอกทั้งข้างในองค์ประชุมทั้งหมดนา ม, มากายนา ม, มากายก็คือผู้ที่เรื่องรูปประกกายคุณหมดภาวะที่จะต้องพิจารณาแล้วที่จะต้องศึกษาแล้ว หมดกิจที่จะต้องศึกษาแล้วข้างนอกคุณก็เหลือแต่นา ม, มากายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตัวใครตัวใครที่มัถึงภูมิก็จะมีการเรียนรู้เฉพาะนา ม, มากายกับพู้กขึ้นได้นะองค์ประชุมของนามเท่านั้นเท่านั้นเพราะว่าเราเรียนรู้เท่านั้นถ้าเราเองเรายัางจะต้องเรียนรูปรูปกายอยู่ด้วยคุณต้องเรียนดับสิ่งที่มันปรุงแต่งจากรูปข้างนอกมาแล้ว ถูกรู้มาแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติแล้วเพราะไม่ต้องเรียนรู้ไม่ต้องทํากิจอะไรอีกแล้วคุณก็เหลือแต่นามะกายที่จะมีกิเลสเหลือในนามะกายคุณก็เรียนรู้แต่นามะกายน้เนี่ยสมาเขาถามารูประรูปนามะรูปรูปกายนามะกายอ่าเขาบอกว่ารูปประรูปรูปที่ถูกรู้เช่นคนสัตว์สิ่งของนามะรูปคือนามะธรรมที่ถูกรู้ก็ถูกต้องเช่นจิตเจตสิกที่ถูกรู้เป็นต้นถูกต้องรูปกายคือองค์รวมองค์ประกอบ ของทั้งรูปรูปรูปและนามรูปถูกต้องอนามกายคือนามธรรมทั้งหลายไม่เกี่ยวกับรูปได้เช่นผลของจิตที่มีความมืดบ้างมีความสว่างบ้างของผู้ปฏิบัติทฤษฎีที่ไม่ใช่ไม่ใช่ของพุทธว่างนั้นน ะ, ะคือไปรู้ไอ้สิ่งที่มันเป็นนามกายต่างจะพออนุโลมเรียกก็ได้แต่ว่าที่อาตมาจะ จำกัดความให้แล้วเมื่อกี้นามะ ก, กายว่ามันเฉพาะนามองค์ประชุมของนามที่เราเองเราไม่ต้องไปคํานึงถึงรูปแต่มันก็มีอยู่อ่หรือในวาวในภาวะที่ไม่มีมันมันประจัดแต่คุณอยู่ในพวังเลยก็มีจะนามะ ก, กายอารูปที่กําหนดรู้ด้วยสัญญาอย่างคุณทําเตวิชนี่มีจะนามะ ก, กายมันไม่มีรูปไงต่างหูจมูกทีกายคุณไม่ต้องคุณก็อยู่ในพวังข้างใน เข า, าตรวจดูข้างในกําหนดรู้ได้ด้ยสัญญานะสวดอันนี้เขาอต่อมาอีกว่าสวดอีความหมายหนึ่งของนามกายคือนามธรรมที่รวมหมดทั้งองค์ประชุมทั้งตาหูจมูกลิ้นกายอ่าอันนี้สับกันทช่อาจารมาอธิบายแล้วมันเป็นรูปรกายนะทั้งหมดเลยนะมันไม่ใช่นามกายนะนามกายอธิบายแล้วเมื่อกี้นี้ถ้าลึกละเอียดไปก็เหลือแค่นามกาย องประชุมของนามเฉพาะนามถ้ารูปกายรวมเป็นนามด้วยเพราะรูปมันไม่มีการรู้เรื่องอะไรเรารูปไปไปพูดถึงมันไงใช่ไหมรูปเนี่ยตัวรูปมันเองรูปอะไรก็แล้วแต่ยิ่งรูปของดินน้าไฟลมมหาภูตรูปมันจะไปมีนามตรงไหนมันจะไปมีนามอารูปนามกายรูปกายอะไรของมันนะอแต่จะไปแปลกายกายยะนี่ว่ารูปร่าง ภาษาบาลีกายกรสรีระคงโคะโครเรื่องไป แ, แปลไปแปลรู ป, ปรกายก่าเป็นสตรีระมันมันมันก็ต้องขยายความะนะอ่ามันเป็นรูปร่างอ่ากายมไม่ได้แปลว่ารูปร่างกายจะเป็นองค์ประชุมเนี่ยมันสับสนมานานภาษามันมั น, มนไปร่างกายไปเรียกร่างกายว่านี่ องประชุมของดินน้ำไฟลมอ่ามันก็ไม่ผิดหรอกนะดินก้อนนึงน่งเนี่อย่างนี้เป็นดินรวมอยู่ในนี้แต่ถ้าอธิบายละเอียดนะว่าในดินเนี่ยในอันนี้เนี่ยไม่ขาดความเป็นน้ํานะให้แห้งยังไงก็ไม่มีขาดความมันถ้ามันเป็นก้อนมันจะมีธาตุน้ํามีธาตุลมคือเอธาตุลมไม่ไม่มีจะมีธาตุไฟมีธาตุอุณหภูมิเย็นเท่าไหร่ก็เป็นอุณหภูมิอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งรายละเอียดพวกนี้ โอ้ลึกซึ้งพระพิธรรมท่านอธิบายไว้ละเอียดมากนะจริงๆสภาวะอาตมาเขาพอเข้าใจละเอียดนะ <c oughs> ถ้าเผอว่าแยกรูปกายกับ น, นามกายได้แล้วจะไม่สับสนว่าเอาไปเอามารูปกายก็คือนามกายหรือบน <c oughs> ยุ่งกันใหญ่อาตมาแยกให้ฟังแล้วเมื่อกี้นี้นะ <c oughs> ก็ค่อยศึกษาไปพยายามดูสภาวะให้ได้สภาวะแล้วมาฟังพยัญชนะเนี่ย เวลาเรียนนะเวลาเรียนเราเรียนปรุงยาเป็นต้นคุณก็ต้องจําตัวยาให้ดีแต่ทุกวันนี้มันง่ายตรงที่ว่ามันมีชื่อยาด้วยเนะี่ยมีสลากด้วยมันก็ง่ายขึ้นแต่ถ้าแม้ว่าไม่มีสลากไม่มีชื่อคุณก็ต้องจาตัวยาให้ได้พอได้ตัวยาแล้วคุณก็ปรุงอะไรอะไรได้ดีเอาพ ย, ายัศเอาภาษาเอาชื่อมันมาติดทีลังทีลังทีลังก็ยิ่งสะดวก ถ้าไปจำแต่พยัญชนะโดยไม่มีสภาว่านี่เดียวจะสับสนนะแต่มันก็ต้องจำมันก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยมันจะเป็นอุปการะต่อมาเจ้านี้บอกว่ารูปราคะนั้นอ่านจากกายในในขณะผัดสะแล้วกำจัดมันทำใจในใจพร้อมพร้อมกับพฤติกรรมภายนอกที่สงบประงับแล้วได้ แล้วอรูปราคะมันไม่ได้ปรากฏตอนขณะนั้นแต่เป็นการสังขารกรุงในภวะพบตอนไม่มีผัสสะนั่นใช่ไหมที่เรียกว่าอารูปหรืออรูปก็ต้องมีผัสส ะ, อ, ะอาอรูปก็ต้องมีผัสสะนะปฏิบัติตามธรรมพุทธเจ้าแล้วนี่ไม่ทิ้งผัสสะตาหูจมูลิ้นกายก็กระทบผัสสะอยู่แม้จะ เป็นอารูปก็คือกามรูปนะคุณผ่านแล้วอย่าไปทําอารูปก่อนเพราะฉะนั้นจะทํากับอรูปก็ต่อเมื่อถึงฐานะของเราอนณาคามีขึ้นไปนวลเป็นต้นเพราะฉะนันในฐานของโสดาสกิทาอย่าเพิ่งไปคำนึงมันมากมันผิดขั้นตอนผิดฐานนะอรูปไปดับอารูป มันไม่ได้ผลอะไรหรอกมันไม่ได้อะไรเพราะมันเรื่องละเอียดปลายมันก็อาจจะผิดผิดถูกถูกเลยซ้ําเพราะว่าเราจะไปรู้ได้ของละเอียดหยาบยังไม่เรียนเลยเราไปรู้ตัว ต, วตนของของละเอียดมันยิ่งเล็กจึงละเอียดเอารูปร่างหยับหยาเอาตัวสภาพห ย, ยาบหยาที่สัมผัสเป็นโอราดิกะนิสะกร์นะมองต้นทำกรรมมันปลายรูปราคะนั้นอ่านจากกายในอ่านี่เป็นรูปราคะขั้นขั้นเข้าไปในในแล้ว การมราคะรูปราคะรูปราคะในขณะพัสสะเป็นอนาคามีแล้วคุณก็จะรู้ที่จริงแล้วภาษาทานานั้นเรียกว่ารูปราคะกับลักษณะของมันการปฏิบัติธรมพระพุทธเจ้านั้นตามหูจมูกลิ้นกายไม่ได้ดับไม่ได้หลับสัมผัสข้างนอกอยู่เป็นอนาคามีแล้วก็ปฏิบัติกับรูปรรคะ เรื่ารูปราวจรดำเนินอยู่ในภพของรูปภพวรูปาวจรพัตฐะและกิเลสที่มันมีก็เกิดนั่นแหละเป็นรูปพราะกามมรูปหรือว่ากามกิเลตกิเลตกามมาราคะคุณดับมาแล้วเนี่ยเป็นโซดับ เ, เป็นอนาคามมมันไม่มีแล้วกระทมสัพพะยังไงมันก็ไม่เกิดแล้วกิเลตตัวนี้ใช่ไหมพอกิเลตตัวมันเกิดนั่นมันก็คือตัว รูปราคาขึ้นไปพร ก, การมราคากระทบยังไงมันก็ไม่เกิดแล้วนี่นะเพราะยังก็พิจารณาไปตามขั้นตอนเบื้องต้นการมราคะหมดหมดการมราคะสังโยชน์ก็เข้าไปรูปราคะก็กระทบสภาวิกิเลสเกิดโดยคุณไม่จําเป็นจะต้องนั่งสะกดจิตหรือคลื่นเข้ไปหายทรัพค์คนเชียออันคอนเชื่สอะไรไม่ใช่ อันนั้นมันมันมันดำนามไปเรียนเรียนรู้มันมืดมันไม่ชัดนี่สว่างสว่างเลยของกูเจ้าเนี่ยสัมผัสก็เห็นทัดๆัดเลยยิ่งมีญาณปัญญาเห็นของจริงเลยว่าอ่านี่กิเลสของเรายังเหลืออยู่แต่มันไม่แสดงออกมาทางข้างนอกแล้วพฤติกรรมข้างนอกหยาบมันไม่มีอาการนั้นแล้วของพุทธเนี่ยพุทธนี่มันเก่งอย่างนี้แล้วมันไม่เปที่เป็ภัยมันไม่มีแล้วมันก็ไม่เปที่เป็นภัยกับใคร พรูป ร, ราคะก็คือเมื่อผัสสะอยู่เกิดแล้วกําจัดมันอ่าคุณก็ต้องรู้ว่ามันเกิดได้สัมผัสแล้วทําใจในใจประร้องกับพฤติกรรมภายนอกที่สงบระงับแล้วถูกต้องแล้วอรูป ร, ราคะมันไม่ได้ปรากฏตอนขณะนั้นเป็นขั้นตอนไปพูดแล้วเมื่อกี้นี้รูป ร, ราคะก่อนอรูป ร, ราคะแม้มันจะเกิดคุณก็มันพลิวมันมันรูป ร, ราคะมันต้องอยากแรงแรงกว่าแน่นอน เป็นการตั้งขานปรุงในภาวะพบใช่มันก็ลึกมันจะปรุงกับปรุงไปก่อนปล่อยมันก่อนอย่าเพิ่งไปทำจิตขั้นมันเยอะนักไม่ไหวอ่าอ่าหรือว่าต้องเป็นสังขานปรุงในภาวะพบตอนไม่มีผัสสะนั่นใช่ไหมที่เรียกว่าอารูปมันก็เป็นได้นะเพราะว่ามันแม้ไม่ผัสสะมันก็ทําอยู่มันเป็นอาสวะอารูปนี่คืออาสวะคือจิตระดับ ระดับละละหลังสุดแล้วอรูปอะ่ะมันก็ยังแตกตัวอยู่มันก็ทํางานอยู่เรียกว่าอาสวะเหมือนตัวยีสเหมือนตัวอะไรมันแตกตัวอยู่เหมือน เ, อเชื้อยีสเชื้อผักดองน้ําดองน้าหมักน้ําเน่ามันก็มีตัวยีสนี่อยู่อรูปคืออย่างนั้นก็ถูกมันก็ทํางานอยู่แตกตัวของมันอยู่แต่จะไปกังวลไงเอาโทตัวลำดับดูปราคาไปก่อนสําหรับคนธรรมดาที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมในวัลยบรกุตระและไม่ได้เข้าฌานหรือสี อไม่ได้เข้าชาแนลสีเวลาสภาพจิตมันเกาะยึดอยู่กับความฟุ้งไปเที่ยว ร, รู้รู้อะไรตรงนี้อะไรไม่รู้จบโดยความหลงติดภูมิใจอยู่กับตัวรู้แมภูมิใจอยู่กับตัวรู้นั้นจิตของคนนั้นเรียกว่าเกิดเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณนันจายตนะสัตว์ได้หรือไม่คะอ <c oughs> ใช่หรอกวิญญาณนัญจายตนะสัตว์นั้นอมันเป็นขั้น แม่คุณเอาภาษาคําว่าวิญญาณเจตนาสัตว์สัตว์ขั้นวิญญาณนันจายตนาสัตว์นี่คือสัตว์ในขั้นอรูปอรูปภพในขั้นอรูปภพอากาศธานันจายตนาสัตว์วิญญาณนันจายตนาสัตว์อากิญจัญญาเยตนาสัตว์ในวัชยานาสัญญาเยตนาสัตว์สุดท้ายหมดในวัชยานาสัญญายตนาสัตว์ก็สิ่งความเป็นสัตว์เกลี้ยงหมดเลยไม่เหลือ ก็มันจริงๆแล้วคุณจะต้องอยู่ครึ้นขั้นอรูปนครึ้นขั้นอรูปคุณจึงจะเป็นตัววิญญาณใจยตนาซัตว์ไม่ใช่มันมาเกิดวิ่งอยู่ตรงนี้เป็นสัตว์วิญญาณใจยตนะภาษามันดูเหมือนใช่เนะี่ยเหมือนวิญญาณมันออกมามีอายตนะแล้วก็เป็นสัตว์ต่างๆอยู่เต็มไม่หมดเลยมันก็ใช่นะเรื่องเ็กโดยจะตื่นง่ายๆมันก็ใช่ มันเป็นวิญญาณสัตว์ทั้งนั้นนะเท่าจะว่ากัมันมีอายตนะรับรู้อยู่ทั้งนั้นแต่ถ้าเรียนแล้วก็ไปขั้นตอนไปท่านก็นกําหนดวิญญาณนั้นใจยตนะสัตว์ในเหลือขั้นอรูปที่จะรู้ว่าวิญญาณจริงๆนั้นไม่มีความเป็นสัตว์ชนิดหยาบแล้วในระดขั้นอรูปเนี่ยเป็นวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นอรูปฌานในอาการสะอาคือสะอาดว่างเป็นความว่างจิตวิญญาณแล้วก็กําหนดความรู้ความว่าง จากวิญ ญ, ญาณใจเยตนาขึ้นไปก็ไปกําหนดวิญญาณวิญญาณมันบริสุทธิ์สะอาดธาตุวิญญาณคือธาตุรู้ที่สะอาดมันจะเป็นยังไงมันต่างกับตัวรู้ตัวไม่รู้ตัวความว่างความว่านั่นคือสภาพรูปวิญญาณนั่นคือสภาพน้ำแล้ววิญญาณที่สะอาดน้ำที่สะอาดเป็นยังไงอกิจจัญญายตนะก็คือรูปสิ่งที่จะให้ไม่ให้มีทุรีละอองเขาเศษทุลีอีก อโศกวิริชาอย่างที่อาตมาเคยยกตัว อ, อย่างเศษทุรีหมองทุรีเริงอะไรแล้วแต่คุณก็ต้องตรวจให้หมดเนวัชยาเป็นนามอากินจัญญายตนาเป็นรูปเพราะฉะนั <c oughs> ้นเนวัชยาเขาต้องรู้ที่นี้รู้ให้หมดทั้งสามอย่างนี่แหละจนรู้ครบจะไม่มีอะไรที่จะไม่รู้ไม่มีอีกแต่ว่าเนวัญญานาสัญญนารู้จะไม่มีอะไรที่จะไม่รู้อีกแล้วจึงเรียกว่าคนอวิชาสวะหรือพนอวิชาสุญ์ เป็นสัญญาเวทที่จะแตนิโรธสัญญาได้ทำงานเข้าเคลียอารมณ์หมดเป็นนิโรธสมบูรณ์ในวันนิโรธอันสุดท้ายของศาสนาพุทธนะจากสระบุรีฝากกลาปเปียนพ่อท่านดิค่ะชาวนากาลังเดือดร้อนกินข้าวแพงจังเมื่อไรชาวโสกจะเอาข้าวมาขาย เมื่อไรชาวโซย่าข้าวมาขายผู้เราได้คลายความเดือดร้อนอีละรือคะรับฟังถ้าอโศรามีข้าวอีกจะเอามาขายมือโอกาสเมื่อไหร่แม่เพิ่งขายให้ข่าวเดียวชักติดใจนะเนี่ยติดใจไปขายที่อตลาดพระรูปขณะนั้นเนาะตลาดอาริยะเอาข้าวไปขายโอ้โหขายคนมากันไม่รู้กี่รถเนาะหมดไม่รู้กี่ตันฮะ ข้าคือลาข้าวนาเอาเอาละไม่มีเวลาที่จะไปพูดหรือแวะถึงเข้าเท่าไหร่หรอกมันก็เป็นไปนะอันนี้ก็เรียกร้องอันนี้ก็เอ่ะก็เอารับฟังรับฟังเรื่องนี้เอาพูดไปแล้วนี่เดี๋ยวพวกเราชาวนาพวกเรามีข้าวมีอะไรก็รบเพื่อจะมีการคิดอ่านอะไรก็คิดเก่าก็ช่วยสังคมช่วยอะไรขึ้นมานะตอนนี้ข้าวมันเสียหายเยอะเท่านั้นมันจะเดือดร้อนกันมากเลยจะไม่มีข้าวกินข้าวอะไรกันตอนนี้ก็ค่อยๆว่ากันไปนะ จากเมกาโส ค, ครับผมเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งชื่อว่าไมโพล่าหมายความหมายถึงอารมณ์แ ป, ปลปรวนสองขั้วใบแปลว่าสองโพล่าในขั้วว่าอารมณ์แ ป, ปลปรวนสองขั้วอายุผมสามสิบห้าปีแล้วจะมรรู้ทำได้ไหมครับไม่เอาคุณเป็นใบโพล่าของคุณเถอะ ปฏิบัติทำไปเองเธออย่าพึ่งเข้ามาในนี้นะอาจจะมากลัวคุณก็ปฏิบัติทำขคุณไปสนใจศึกษาเธอปฏิบัติได้ไม่ได้ปิดบังแต่ขอไวอ้ขอไว้พวกเราก็ข อ, อ ก็ขอทำอะไรไปคุณคุณจะมามั่งอะไรมั่งก็ได้อย่าเพิ่งมาสิงสู่คุกคีเกินการนักเรียนรู้ตอนนี้สื่อสารมันช่วยเยอะต่อมาคุณหกศูนสี่หนึ่งขอบคุณนะคุณบอกความจริงมาคุณไม่บอกเราก็ไม่รู้คุณหรอกแต่ทีนี้คุณบอกมาก็ขอบคุณฟังทมพวกครูเห็นชัดเจนในกิเลสและได้ชบชนตัวเองขอบขอขอบพระคุณพระครูอย่างสูงขะขอบคุณมาเจเจไม่มีอะไร อ้าวดีมากอ้าอีกคนนึงนะเนี่ยมาผู้ส่งสารอ้ามาอีกคนอ้าวดีเด <ns colorful> ็กยิงบุญคุม้มเชิญบุญคุ้มจากข้างวัดจากคนข้างวัดการนอนกลางวันผิดศีลไหมคะหากผิดศีลข้อใดคะก็คนนอนเนี่ยทีก็เราถือศีลมาเราจะไม่นอน ที่นี่เรากำหนดกันคือ้าวโซเรานี่นะเรานอนพอเราไม่ไปเที่ยวกลางคืนเราไม่มีอะไรมกุกกกลางคืนกันเพราะฉะนั้นก็มีเวลาพักเวลาเพียรสองทุ่มสามทุ่มเราก็นอนกันแล้วพวกเราเนี่ยไม่เลยเธอไปสองยามตีหนึ่งตีสองก็ไม่นอนนะนอนไปนอนมาตะเลิดเปิดเปิงไปเจ็ดโมกแปดโมงเขตื่นเราไม่เรานอนนี่ยนะตั้งแต่ตีสองอสองทุ่ ม, สา ม, มสามทุ่มสามทุมพวกเราจะเงียบหมดละ ตีสามก็สบายแล้วหกชั่วโมงข้็ไปตีสามครึ่งอะไรตีสี่ก็สบายแล้วเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงสบายนะก็เราเราเป็นยังงั้นแล้วแต่จะกําหนดคุณไม่กําหนดกันเขแล้วไปแต่ที่นี่เรากําหนดว่าเรารู้จักเวลาหลับเวลานอนเวลาตื่นนะโดยส่วนตัวไม่ชอบและรู้สึกไม่พอใจ ร, รําคาญหากใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวอย่างนี้ผิดสี่งข้อไหนครับ <c oughs> คุณก็ตั้งคุณสิอะไรกันนะกันหน ใครจะไปยุ่งอะไรแต่ใมั่งก็ไม่ได้ของข้าขยะแตะยุ่งอะไรไม่ได้เลยมันก็มีตัวกูของกูมากเกินไปนะไม่ชอบาจะชอบหรือไม่ชอบเราอยู่กับสังคมเราก็ต้องสัมพันธ์กับสังคมยิ่งมาอยู่กับพวกเรานี่สาธารณะโผคีทุกอย่างร่วมกันอยู่ด้วยกันอะไรแต่กันหมดถ้าคุณจะมาปฏิบัติมีแต่อะไรแต่ก็ส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวนี่ยากาจะมาอยู่กับพวกเรายากนะ พอมันตรละตัวตนของของตนอ่ารวมๆเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมเองค่าเป็นเป็นอุปสรรคแน่นอนจะมีวิธีใดมันเป็นเรื่องของอัตตาอัตตนิยาเป็นตัวตนของตนมันยึดอะไรๆก็เราอส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวจะมีวิธีจัดการกับความรู้สึกแบบนี้อย่างไรค่ะจริจะไม่เป็นปัญหาก็มาเรียนรู้ไอ้ส่วนตัวเรื่องตัวตัวเองตัวตัวเนี่ยของข้าใคระแตะข้าใคระแตะอะไรของข้าตัวข้าใคระแตะทั้งนั้นอ่ะ นี่ความเห็นของข้านี่ยอะไรของข้าข้าข้าก็ต้องมาเรียนรู้แล้วก็หัดเลิกยึดเป็นของข้านั่นแหลมันไม่มีทางเลือกอื่นเรา ก, ก็ต้องมาเรียนจริงๆจากอุบลครับในอดีตมีความเชื่อว่าหากมีสัตว์เลื้อยคลานเช่นงูสิงแมงมุมยักษ์เข้าบ้านจะถือว่าบ้านนั้นมีเคราะห์ต่อเคราะห์ที่มันก็จะจัดการกัดเอาต่อยเอาทีเมื่อบ้านนั้นมีเคราะห์ต้องทําบุญสะดอเคราะห์ก็จัดการเอามันออกไปนั่นแหละสะดอกเคราะห เขาถามว่าในทางพุทธศสาสนามีความเชื่ออย่างนี้ไหมครับพุทธศสาสนาไม่งมงายอย่างนี้หรอกนะงูมันเป็นพิษกอนมันออกไปหรือมันไม่ใช่เพื่อนเราเอามันออกบางคนเขาเลี้ยงเป็นเพื่อนนะอ่างก็เลี้ยงไปสมัยอาตมาเป็นคารวะอาตมายัางซื้อ ง, งูมาเลี้ยงเลยอ่ะงูเขียวเขียวสวยนะซื้อมาเล่นกับมันมันก็งูเขียวไอ้นน่น่ะ แล้วเอามาเกาะไว้ที่ต้นไม้เรามีไม้ประดับมนะาเอางูเขียวมาไว้ที่ในห้องแล้วแขกเพื่อนมาใครมาก็เห็นงูบอกเออมไม่เป็นไรเราเลี้ยงดูมาเนี่ยเราก็ไปจับให้ดูอะไรอย่างเงี้ยงูเขียวงูเขียวปากจิ้งจกอะไรงูเขียวที่มันไม่กัดไม่อะไรคนอ่ะไปซื้อมาอสวยนะสีเขียวสีสวย ส, ส, วยสีเขียวสวยเขียวเขียวจริงๆเขียวเขียวเลย เขียวสวยมูเข er, ียวไม่กัดคนจากโคราชตอบแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องอะไรพุดเราไม่ถือแล้วก็อามันออกไปนั่นแหละสะดอเคราะอย่าไปถูกเขาหลอกเอาเงินเอาทองนักเสียเวลาเสียเงินทองเสียแรงงานจากโคราชคําว่าวิญญาณอัญจายตนะนั้นคําว่าวิญญาณหมายถึงวิญญาณตัวไหนใช่วิญญาณทั่วทไปไหมเพราะเป็นอรูปแล้วใช่วิญญาณทั้งหกไหม และมีที่สุดหรือไม่ครับโอ้หลายปัญหาหลายประเด็นอ้าวาลืมลืมลืมสูตรวิญญาณตัวไหนวิญญาณคือธาตุรู้วิญญาณ น, นันจายตนะที่หมายี่เมื่อกี้อธิบายผ่านไปทีหนึ่งแล้วถ้าเป็นขั้นอรูปฌาน วิญญาณนันจายตนะภพหรือวิญญาณนันจายตนะฌานวิญญาณนันจายตนะภูมิก็เรียกวิญญาณนันจายตนะสัตว์ก็เรียกถือว่ายังเป็นสัตว์อยู่สัตว์ขั้นอรูปสัตว์ละเอียดลึกซึ่งแล้วนั่นเป็นนามธรรมก็คือโดยทารุ่นเนี่ยถ้าอรูปฌานเรืออรูปสัตว์เนี่ยมันหมายถึงวิญญาณสะอาดแล้วผ่านผ่านรูปฌานผ่านการปฏิบัติธรรม กิเลสล้างกิเลสไปแล้วมันเหลือแต่ตรวจสอบกิเลสที่เหลือส่วนละเอียดอีกทีหนึ่งจะเป็นขั้นอรูปน ะ, นะคําว่าวิญญาณหมายถึงวิญญาณตัวไหนใช่วิญญาณทั่วทไปไหมคำว่าวิญญาณเฉยๆกลางๆก็ทั่วไปไ ว, ญญวไปิญญาณทั่วไปเพราะเป็นอรูปแล้ววิญญาณมันเป็นอรูปแล้วมันเป็นเป็นรูปก็มีวิญญาณมันก็เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งใช่วิญญาณทั้งหกไหม มีวิญญาณทั้งหกด้วยเวลาเป็นอรูปแล้วเนี่ยว่าไม่ใช่เป็นวิญญาณนันจายตนาแล้วมันก็ยังมีวิญญาณทั้งหกมีตาหูจมูกลิ้นกาย ก, ารกระทบแล้วมันก็เกิดวิญญาณวิญญาณตอนนี้แหละแล้วมันก็สะอาดได้จากการมาพบก็สะอาดรูปมาพบก็สะอาดอารูปมาพบก็เหลืออีกตัวตรวจสอบที่มันจะต้องกระทบสัมผัสที่นี้มันจะเกิดอีกไหมละ่ะผุทธาโลกาธเมหิจิตตังยะสานักกมปติกระทบสัมผัสกับโลกกระทั่ง ก, กระทบกระโลกอยู่กระโลกเขาเนี่ย จิตมันแน่วแน่ไม่วั่นไหวไหมมันจะมันคงเป็นเนียนชาแน่นอนมันคงเป็นนิจังทัววังสัตสตังหรื อ, อยังคุณก็จะดูจะอ่านมันออกจะตรวจมันไปได้เรื่อยๆนะค่อยๆเรียนไปนะบางทีบางทีมันเราก็อยากจะรู้อันนี้ดักหน้าดักต า, าค่อยๆเรียนไปแล้วก็จะค่อยๆเข้าใจดิฉันฟังคุณลุงมาพูดให้ฟังว่า ทำไมพรอครูไม่สอนให้ใช้จิตนำเป็นหลักอย่าใช้แต่ใจโอ้อ้าวแยกคําว่าจิตกับว่าใจเนาะคนนี้ให้ใช้จิตนําเป็นหลักอย่าใช้แต่ใจมันไม่ลึกซึ้งคนก็ไม่เข้าใจจริงคิดว่าใจกับจิตตัวเดียวกันอ๋อคนนี้แยกใจกับจิตคนละตัวมันคนละตัวเนี่ยเวลาเขียนก็เขียนคนละตัวตัวนึ่งเขียนสไลด์จอจานอีกตัวนึงเขียนจอจานสลีตเต่า มันคนะตัวเนี้ยพระยาชนน์เอาเคียงคละตัวแต่สภาวะจริงๆมันตัวเดียวกันมันอันเดียวกันจิตกระจภาษาไทยจิตใจภาษาบุรีเขาคือภาษาสกสกิตเขาจิตจิตเอามาจากภาษาโนนเขาเข้าใจในภาษาไทยะอันเดียวกันนั่นแหละสภาวะเดียวกันดิฉันว่าพวกครูสอนให้แค่รู้ฐานการปฏิบัติก่อนส่วนคนที่ลึกซึ้งจริงจะเข้าใจเองว่า จิตเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงดิฉันเข้าใจเช่นนั้นค่ะเพราะคุณลุงมาสอนเตือนดิฉันทุกครั้งให้จิตนักปฏิบัติทุกอย่างทุกครั้งให้จิตนักปฏินักการปฏิให้จิตนักการปฏิบัติทุกอย่างจะได้ไม่จะจะไปด้วยดีให้จิตนักการปฏิบัติทุกอย่างจะไปด้วยดีคุณลุงปฏิบัติมาสี่สิบปีแล้ว ทานมังสวิรัตมาตลอดและชอบเอาขอมาฝากหรือเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวบ่อยประจำดิฉันต้องเลี้ยงบ่อยอเอาให้คนอื่นที่ยังไม่ทานบ้างลุงบอกว่าลุงชอบทําบุญกับคนมีศีลคนที่รู้จักกันคนอื่นเขารู้ของเขาเราไม่เข้าใจลุงไม่ชอบทําบุญด้วยดิฉันเข้าใจผู้ใหญ่ที่รู้จักทําบุญกับคนมีศีลและเรารับก็ต้องสังวรรู้ประมาณอยู่ ไม่ชอบเราะรับบ่อยค่ะแต่ก็ขอบคุณท่านที่คิดดีๆค่ะอ่าลุงคนนี้ก็ยังเข้าใจภาษาคําว่าจิตกับว่าใจอ่ก็ไม่เป็นไรก็ฟังอนุโลมเจตนาที่จะเข้าไปถึงคําว่าใจหรือจิตโดยแยกคําว่าใจมันห่างถ้าจิตมันลึกกว่าก็้นจะเอาคําว่าจิตก็ไม่เป็นไรมันอันเดียวกันนั่นแหละแทนได้แต่ก็ไม่ต้องแย่งหรอกนะ เอาเอาจิตก็จิตไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าพูดไปทำยังไงล่ะมันจะเข้าถึงจิตมันจะไปได้ดีก็ว่ากันไปาดิฉันบ่อยครั้งเวลาจิตฟุ้งซ่านนึกถึงคนที่ฟุ้งซ่านช่างพูดเหมือนน้ำชาล้นถ้วยพอเจอใครที่เขาพึ่งม า, าทำรู้จักด้วยเธอก็พูดอะไรสารพัดรู้จริงไม่จริงหลุดให้เขารู้หมดไม่ประมาณ กลางสาธารณชนทั่วไปจะติติงใครกว่าสาธารณะไม่ไว้หน้าไม่รูปการะขอกเคตคนประเภทนี้เตือนยาครูดีไปหมดแต่อยู่ใกล้ปวดหัวเตือนไม่ได้ไม่ทราบจะใช้ธรรมะสูตรไหนเป็นยาคะก <c oughs> <c oughs> ็เอาต่อให้จบซะก่อนเงีน้น เพราะชอบสาวไสให้คนอื่นไม่รู้ก็ต้องรู้ผิดผิดถูกถูเธอแสดงความเก่งว่าเธอรู้สำคัญไปหมดดูหน้าของสารแต่ช่วยคนเก่งประเภทนี้ไม่ได้กะเพราะเธอล้นเกินไปบอกผู้ใหญ่บอกผู้ที่คิดว่าจะบอกเหตุบอกผลบอกเรื่องบอกราวให้แกผู้ใหญ่รู้ว่าคนนี้นะมีอย่างนงี้ๆอบอกก็ด้วยเมตตาอย่าไปบอกก็ด้วยซอเสียด น่าไปใส่ความใส่ใครเอาความจริงพูดบอกอว่งงนี้หรือรัอบรู้งี้งี้ถ้าจะช่วยตบบอกท่านช่วยเขาหน่อยอ่าดิฉันช่วยเขาไม่ได้หรอกก็บอกข้อมูลกันไม่จะไปฟ้องโดยใส่ใครใส่ความหรือว่ามีจิตทิงชังเกลียดไม่ชอบอะไรงี้มันไม่ดีะทําใจให้ดีๆแล้วก็บอกเรื่องราวเรียกว่ารายงานรายงา น, ร า, งานรายงานกับฟ้องนี่มันต่างกันอ้อาวใบสุดท้าย ห้าห้าศูนย์แปดอธิบายศิลปตุปศิลปตะอธิบายศิลปตะปรามาศให้หน่อยครับศิลปตะปรามาศเป็นทังโยชนข้อที่สามต่างจากศิลปตุปปาทานแต่ท่านแปลเหมือนกันนะท่านท่านส่วนใหญ่ท่านอาจารย์ต่างๆบรชอาจารย์ตา่างๆท่านแปลเหมือนกันว่าเป็นเรื่องที่ มันยังมีฉาทิฏฐิยังไม่รู้เรื่องมันยังทําไม่ถูกว่างั้นเถอะปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมยังไม่ถูกยังไม่ได้เรื่องยังไม่ได้ผลความจริงมันถูกต้องมันยังไม่ได้ผลทั้งคู่แหละเสยระปตุปาทานนั้นมีความหยาบกว่ากันว่ายังมีอุปาทานในศีลเพระยังไม่มีสมาธิิฐอเศีลปตุปาทานยังไม่มีสมาธิิฐปฏิบัติธรรมไปตามแกนตามโลกเขพาเป็นพาไป จารีตประเพณีอยู่กับหมู่กับฝูง ก, กับพาทำไปไม่รู้เรื่องไม่ถูกไม่ต้องแต่ศีลแลพุทปรามานะั้นมีสมาธิฐิแล้วและผ่านสังโยชน์สองแล้วผ่านสักกายติฐิผ่านวิจิกิจฉาแล้วรู้จักสักกายติฐิรู้จักตัวตนของกิเลสแล้วรู้อย่างชัดเจนแล้วพ้นวิจิกิจฉาสังโยชน์แล้วสองข้อแล้ว แต่ยังลูกคลำกิเลสอยู่ปรามาตแปลว่าลูกคลำกิเลสอยู่นั่นแหละจะเอามันไว้ทําอะไรก็ไม่รู้ลูกคลำเลี้ยงดูมันอยู่นั่นแหละไอ้หนูอยู่กับข้าไม่ยอไปทําอะไรลูบๆคคลามเล่นๆหหัวอยู่กับมันอยู่แล้วนั่นแหละนะไม่เอาจริงเอาจังไม่จัดการกับมันสักทีหนึ่งนี่คือศีลและพุปรามาตถ้าคุณไม่เอาแต่ปรามาตไม่เอาแต่เล using, ่นๆหัวๆอยู so really ่กับมันหรือไม่เอาจริงเอาจังกับมัน จนมันลดละได้ถ้าคุณทําให้กิเลสตัวที่คุณรู้แล้วสมาทิฐิแล้วสักกายะคือตัวกิเลสผ่านแล้วเฟุนสีระพตปรามาสศุนีรปพตุปปาทานมันคนะระดับเลยมันไม่มีผลทั้งคู่นั่นแหละมันยังไม่มีผลทั้งคู่เลยแหละถ้าจะว่าแล้วมันแปลเหมือนกันไม่มีเป็นไรมันก็ไม่มีผลทั้งคู่ถูกแต่ในญาณลึกซึ่งอามารย์ปายายฟังแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคุณทำให้กิเลสมันลดไปเลยคุณกับฟุนสีระพตปรามาส เป็นการได้ธรรมะเข้าขั้นผลไปเรื่อยๆเลยโซดาปฏิผลโซดาปฏิผลไปเรื่อยๆเลยคนเราเมื่อตายไปแล้วจิตเราจะรู้ไหมครับว่าเราตายแล้วไม่รู้ไม่ตัวคนตายแล้วไม่รู้แล้วยิ่งคนตายแล้วเนี่ยนะไปคือคนไม่รู้เรื่องแล้วก็ะเพมว่าคนตายแล้วเจ็ดวันจะรู้ตัว น, นั่นจะไม่มีรู้หรอกไ ม, ม่รู้ตัวหรอกมันมีแต่รับทุกขรับสุข แต่สุขน้อยแว บ, บนหนึ่งเดี๋ยวก็ผ่านเพราะส่วมันเป็นของไม่จริงส่วมันเป็นอุปทานเท่านั้นเพราะงั้นก็จะไปเพลอไปรับสุขหลงนิดนึงเสร็จ แ, แล้วตัวจริงวิบากของตนเองนั่นคือกิเลสเป็นหลักกิเลสมันสแสวงหาและมันสแสวงหาได้ไงตายแล้วมันไม่มีคุณสแสวงหาไม่ได้มันได้ไม่ได้แล้วคุณก็นึกว่าคุณมีคุณไม่รู้ตัวหรอกเพราะงั้นคุณจึงจมอยู่ในโลกที่สแสวงหา นรกนรกที่คุณแสวงหาคุณไม่รู้ตัวถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณตายแล้วคุณจะไปแสวงหาทําไมล่ะเฮ้ยนอนหลับใช่ไหมก็หลับไปสิไปแสวงหาทําไมเงีมันตายแล้วมันไม่ได้หรอกตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีนรกก็ไม่มีเลก็ไม่ต้องดิ้นก็สงบไปสิแต่ความจริงมันไม่ใช่ถามหน่อยไม่ต้องเอาตายคุณนอนหลับคุณรู้ตัวเปล่านอนหลับคุณยังไม่รู้ตัวแล้วตายคุณไปรู้ตัว ขณะนอนหลับคุณยังไม่รู้ตัวเลยว่าคุณหลับนั่นคือคุณกําลังหลับนะนี่ฉันกำลังหลับนะจ้ายิ่งนอนหลับลึกเท่าไรก็ยิ่งไม่รู้ใหญ่อ้นอนหลับหลตื่นๆก็พอรู้ตัวถต่นอนหลับจริงๆนอนดับลึกจริงไม่รู้ตัวหรอกว่าคุณเป็นผู้นอนหลับอยู่ตายไปแล้วมันเหมือนกับนอนหลับลึกหรือเปล่ายิ่งกว่านอนหลับลึกใช่ไหมเพราอย่าเดาแล้วก็เดามาบอกกันพูดกันปิดๆเพี้ยนเลอะเยอะไปหมดเลย ตายแล้วมีนิยายตายไปแล้วโอโหต่างๆน า, นานาสารพัดแต่ก่อนนี้อาตมาไม่ได้ม่ยังไม่ได้มาปฏิบัติธรรมสมัยระเทคารวาสมีหนังสือที่เขาเขียนฝรั่งเขียนแล้วเขามาแปลขายกันโอโหสนุกเรื่องกายทิป กายทิพย์นี่ยเขาก็เล่าเรื่องคนตายแล้วนี่ไปสู่สวรรค์ไปสู่อะไรแล้วก็ปอใหญ่ยยมีนิยายบนุษยในสวรรค์มีอย่างงนอย่างงี้อะไรโอ้โหสนุกสุดไม่มีอ่ะอ่านไปโอ้โหเรื่องราวสารพัดสารเพย์พอมาแล้วเดี๋ยวนี้ธรรมารู้เรื่องนะแล้วถึงบอกโอ้โหเนี่ยจังนี้เองในโลกนี้จึงมีนิทานเยอะเหลือเกินหลอกกันไปแล้วก็ล้ไปเนี ต่อมาว่าสัญญาจัดเข้าอยู่ในปฏิสมุบบาทไหมครับสัญญานี่เป็นตัวทำงานไม่อยู่ไม่ปนปฏิสมุบบาทท่านไม่มีสัญญาแต่ในปฏิสมุบบาทท่านแจกวิพังไว้ในความเป็นนามความเป็นนามต้องมีสัญญาความเป็นนามท่านแจกไวห้าตัวเวทนาสัญญาเจตนาผัดสมณสิกาา เอออาตมาทุกวันนี้เก่งนะชักเก่งโอ้โหยังกับผู้รู้มากชักเขืข่องๆแล้วน ะ, ะชักเป็นเหมือนผู้รู้มากแล้วเนี่ย น, นามท่านแจกไว้จริงๆใ น, ในวัตถิมิถังเล่มสิบหกนี่อาจจะมาติดมือมาด้วย16สิบกเนี่ยเรียกว่า น, นาม นเพราะสัญญาอยู่ในนามความเป็นนามต้องใช้สัญญาใช้เวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนุิการนามจะต้องมีห้าตัวนี้ใช้งานอยู่ส่วูรูปก็คือมหาปุรูปกับอุปาทายรูปเดี๋ยวฉัแจกไว้เลยเนี่ยอ่าในข้อสิบสี่ก็นามรูปเป็นฉไนงเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนุิการมีเรียกว่านามมหาปุรูปและรูปที่อาศัยมหาปุรูปสี่ มหาพุทธรูปสี่รูปที่อาศัยมหาพูทธรูปคืออุปาทายรูปเรียกพระเจ้าท่านแปลมาจากภาษาบาลีอุปาทายรูปรูปที่อาศัยมหาพูทธรูปสี่นี่เรียกว่ารูปอ่าอ่ามันก็ต้องมีนะในบมันรายละเอียดมันจะแจกไปอีกมีอื่นเท่านี้ไม่เท่านี้มันจะแจกอะได้อื่นไปอีกแต่อันนี้ก็ค่อยไปตามขั้นตอนในพระเจ้าท่านสอนไปตามลําดับอ่าใบสุดท้ายเมื่อกี้ว่าใบสุดท้ายแล้วเลยมันจะสองใบ นครชัยศรีดิฉันเป็นคนขี้ตกใจตกใจง่ายอย่าไปอยู่การ น, นัทวุฒิน ะ, ะนครชัยศรีดิฉันเป็นคนที่ตกใจตกใจง่ายและมักอุทานคำว่าลูกไอเหี <c oughs> ้ย โ, โอ้คุณไปฝึกมายัางไง <c oughs> ไปฝึกมามันได้ติดอย่างนี้มันก็ฝึกแน้ติดนะติดเป็นนิสัยจะเลิกยังไงคะก็ตั้งใจเลิกนะ ก่อนอาตามาแต่ก่อนนี่เป็นคารวาตอาตามาฝึกอะไรอันหนึง่งฝึกจามจามแล้วแฮปปี้เนสจามทีไรก็ออกแฮปปี้เนสทุกทีจนติดเป็นนิสัยแล้วจามยิ้มทีเพระจามทีไรคนก็มองหน้าแต่ก็ยิ้มไปเขาอ่คนที่เขาฟังออกเขารู้ว่าแ a p p ี้เน s เขาก็เขาก็ยิ้มรับคนบางคนก็ชอบ บางคนบอกอะไรวะจามเป็นเฮปิเนสแต่จริงนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นจริงจริงเอาจะมาฝึกจะฝึกว่าเออจามนี่ดีเว้ยเฮปิเนสจามว่าจามทีไรก็เฮปิเนสมาที่ฝึกมันก็เป็นคุณจะไปทำไปฝึกเลยฝึกอะไรไม่ฝึกไปฝึกแม่ตกใจทีไรอุทานคำวันนี้ อเอา้าบอกจะทำไงก็ฝึกเรียนรู้ ร, รู้ตัวมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวยศดจับไปให้มันออกมาโอ้ไม่ขาทาเอา้าขอพ่อจบเลยเวลาเขาไปหลายนาทีแล้วเอาเอวังจะรบจบ